ดัเจลตอนทุกท่านดีใจที่ได้เจอมี่เป็นการเทศนอกประเทศครั้งแรกเลยแต่คนฟังก็คนไทยมีคนแปลมีพลังคนบริสุทธิ์หลวงพ่อชื่อเจสเห็นว่าจะมาช่วยแปลคงก็ต้องช่วยเพราะมีแต่คนไทย คือเราประเทศเราอาจจะไม่ร่ำรวยนะไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่เรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่คือเราสามารถรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้สืบทอดกันมาตั้งสองพันกว่าปีลในโลกก็ ความทุกข์มันมากแต่ละคนก็หาวิธีพ้นทุกข์ของตัวเองนี่เราบุญบรรพบุพ ร, รุษเราเลือกที่จะศึกษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเราอย่าไปวาดภาพศา ส, สนาพุทธนะว่าเป็นเรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรเราันเรื่องปรีกย่อยมากเลย ศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ปรัชญาด้วยไม่จําเป็นต้องเป็นปรัชญาเป็นวิทยาศ า, าสตร์เป็นอะไรไม่มีความจําเป็นศาสนาพุทธก็คือคําสอนของพระเจ้าถ้าเราศึกษาได้ถ่อแท้เราจะพบว่าศาสนาพุทธก็คือศาสตร์อันหนึ่งคือศาสตร์อันหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาจิต ใ, ใจของเรา ให้พ้นจากความทุกข์ได้เป็นศาสตร์ที่อัศจันย์ที่สุดศาสตร์อื่นๆแล้วก็มุ่งแก้ปัญหาแต่ละสาขาอย่างวิทยาศาสตร์เขาแก้ปัญหาของเขาไปแพทยศาสตร์เขาแก้ปัญหาเรื่องของแพทย์นิติศาสตร์เรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรเงี้ยศาสนาพุทเราก็มุ่งไปที่ขจัดความทุกข์เอาอกแก้ใจให้ได้ เราอย่าไปวาภาพนะอย่าไ น, นึกนะว่าเป็นแค่ปรัชญาอะไรเรื่องเล่นลอยๆถ้าจริงเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองเลยถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทองแท้เนี่ยเราจะโยนความทุกข์ทิ้งออกจากใจเราได้ในเวลาอันสั้นสั้นนะไม่ยาวแต่เราต้องกล้าหารพอที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า นี่ส่วนใหญ่ที่พวกเราเรียนมาเป็นเรื่องพิธีกรรมประเพณีถ้าจริงคําสอนของพระเทเจ้าเนี่ยเข้าไปสู่จิตใจของคนกลุ่มไหนก็ได้ไม่เป็นต้องเป็นคนไทยหรอกไม่ได้ขึ้นกับระเบียบประเพณีอะไรเพียงแต่ประเพณีไทยจํานวนมากที่เอาจริยวัตรคริยาอาการอะไรที่มาจากศาสนาพุทธนะ ถ้าเรามาศึกษาศา ส, สนาพุทธให้ข่องแท้เนี่ยเรามีเวลาคุยกันเราเราชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นนะพอหลบง พ, พ่อว่าพอนะธรรมะจริงๆฟังแล้วว่ามีเยอะว่าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์แต่ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ของคนคนหนึ่งนะไม่มากเท่าไหร่แล้วการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ยากเท่าไหร่หรอก ถ้นต้องไ ป, ปศึกษาจากครูบาอาจารย์ครั้งแรกเลยตอนเด็กๆฝึกแต่สมถะฝึกอานาปนานสติทำความสงบอย่างเดียวทำความสงบอยู่ีสบปีมันก็ได้แค่สงบนะสงบแล้วก็ฟงุงซ่านกงไปทำอีกก็สงบอีกถ้าศาสนาพุดมีความหมายแค่การนั่งสมาธิให้จิตใจสงบศนาะสนาพุดไม่มีคุณค่าเท่าไหร่หรอกดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ดีเลิศหรอก ศา ส, สนาอื่นเขาก็สอนเรื่องการทำจิตใจให้สงบนี่ลงข้อหาคำสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าไม่เจอใช้เวลานานยี่สิบสองปีทำแต่สมถะทำสมาธิยันไปเจอหลวงปู่ดุลเ ม, มื่อปีสอง5ันรอยยี่สิบห้าแปลเองข้อสอเองนะแปลไม่เป็นแต่นี้คุณเกืบพันเก้าร้อยกว่า เจริปู ด, ดุลสิ่งแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อเลยบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วแต่อเปน็นน่านจิตตันเองหลวงพ่อมาฝึกอ่านจิตตัวเองการปฏิบัติทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยคำว่าอ่านก็เป็นคําบอกอยู่ในตัวเองแนละ้วอ่านมันเป็นยังไงอ่านไม่ใช่เรื่องคิตเอาเอง ไม่ใช่เรื่องคิดตัวเองไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งที่เราทำตัวเป็นนักประพันธ์นักประพันธ์ไม่ใช่นักอ่านเราเปลี่ยนตัวเองจากนักคิดนักปรุงแต่งมาเป็นคนที่อ่านใจตนเองอย่างที่มันเป็นถ้าลองฝึกตัวนะเราจะใช้เวลาไม่นานเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่หลวงปูด่ดลสอนไม่ใช่มีแต่เรื่องการดูจิตใจของตนเองท่านสอนกรรมฐานไว้เยอะแยะเลยลูกศิษย์ของท่านบางคนหลวงปู่ดูลสอนให้ดูกายพิจารณากายพิหนาผมพิรนากระดูกอนะไนี่ยแต่กับหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตตนเองแท้จริงแล้วการดูจิตก็เป็นคําสอนที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ใช่ของแปลกประหลาดเพยแต่ว่า ไม่ค่อยมีคนศึกษาปฏิบัติส่วนใหญ่จให้ดูกายเริ่มต้นจากกายไปคิดถึงการปฏิบัตนะิถ้าไม่นั่งสมาธิก็มาพิจรารณากายก็จะมุ่งไปตรงนั้นกันเพราะครูบาจารย์แต่ก่อนท่านทําอย่างนั้นแล้วหลวงปู่ ด, ดูลกับ็สอนหลวงพ่อนะฉีกแนวออกปสอนให้ดูจิตแค่จึงหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปุ ด, ดูลเพราะเราเคยได้ยินชื่อไหมเป็นอาจารย์หลวงพ่อชาอีกทีนะหลวงพระชาเล่นกัหลวงปู่มั่นสาวันเอง ก็เป็นพระได้ดีขนาดนั้นหนะลวงปู่ดูลเนี่ยอยู่กับหลมปูมั่นนานเข้าไปศึกษาเป็นรู่แรกเลยลูกศิษย์รุนแรกขอลงลวปุมั่นเลยหลวงปูมั่นก็สอนให้ลวงปูดูดูจิตตนเองดูจิตนะก็สอนเป็นภาษาบาลีว่าสัเพสังคาราสัพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยง สเคลสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวจตนคําว่าสังขารก็คือความปรุงของจิตปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายนี่เรียกสังขารเป็นความโกรธความโลภความหลงนี้แหละเรียกว่าสังขารสัญญาเป็นความจําจําได้หมายรู้เช่นจําได้ว่าสีเขียวแปลว่าอย่างนี้สีแดงแปลว่าอย่างนี้เรครับตน เนีลงปู่มั่นสอนหลวงปดูลงสอนให้ดูจิตตนเองให้สังเกตไปว่าใจใจเนี่ยมันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นตลอดไม่ละหลวงปู่มั่นมาสอนหลงปู่ดูลงมาสอนหลวงพ่อนะก็สอนให้ดูจิตตนเองทําไมท่านสอนให้ดูจิตตนเองสอนแปลกว่าลูกศิษย์อ mm. จําเำนวนมากของท่านเพราะท่านเนารียนมาหลวงพ่อเป็นคนเมืองเป็นคนสมัยใหม่นะเรียนมามากอ่านหนังมามากเป็นนักคิด คนซึ่งมีจริตในิสัยช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือการดูจิตอันนี้ไม่ใช่หลวงปู่ดูลูพูดเองไม่ใช่หลวงปู่มั่นพูดเอ ง, ง, เ อ, งอยู่ในคำภีของเราเองการปฏิบัตินั้นมันมีสองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งดู ก, กายและก็เวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อันนี้เหมาะกับพวกที่มีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบเนไรย อย่างรุ่นครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเป็นชาวไร่ชาวนาวันๆท่านไม่มีอะไรต้องคิดมากจิตใจท่านก็นิ่งสงบไม่ค่อยมีอะไรทําสมาธิง่ายก็ทําสมาธิแล้วก็ยังนิ่งต่อไปอีกไม่มีเลยความสุขก็ต้องมาใช้กรรมาฐานดูกายเพราะร่างกายเนี่ยดูได้ตลอดเวลาไม่ดูจิตไม่มีอะไรให้ดูนิ่งไปหมดส่วนพวกที่คิดมากเขาเรียกว่าพวกทิฏฐิจริต พวกที่ทีจริตในกรรมฐานที่หมาะก็คือการดูจิตหรือไม่ก็เจริญธรร ม, มานุปัสสนาธรร ม, มานุปั ส, สนาเนี่ยดูทั้งกายดูทั้งจิตมันทำงานควบกันไปดูรูปนามงั้นจริงๆแล้วเป็นคำสอนซึ่งมีมาก่อนไม่ใช่คำสอนใหม่ๆที่หลวงพ่อมาค้นพบนะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าพวกเราไปเข้าใจผิดกันเองว่าเบื้องต้นต้องดูกาย สุดท้ายตอนจะแตกหักบรรลุพระธรรทถึงอย่ามาดูจิตพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นดูกายก็ได้คนไหนมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามไหนะให้ดูกายคนไหนช่างคิดช่างล็ช่า ง, งปรุงช่างแต่งจิตใจเดี๋ยวสุขจิตใจเดี๋ยวทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดียดเด๋ยววายให้ดูความเปลี่ยนแปลงของใจการดูจิตหรือการดูกายเนะี่ยไม่ใช่ไปเพ่งกายให้นิ่ง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 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในใจของเราเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเนีเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสมัมผัสเมื่อใจคิดนึกความรู้สึกทางใจจะเปลี่ยนให้พวกเราคยรู้ท่านความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของเราเช่นขณะที่เราเห็นคนนี้มาเพื่อนเรามาความรู้สึกในใจเริม่มมีมีความสุขรู้ว่ามีความสุขดีใจรู้ว่าดีใจ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 ดูจิตก่เหมือนกันเราดูไปเมื่อตามองเห็นจิตใจมีความสุขรู้ทันเมื่อตามองเห็นจิตใจมีความทุกข์ก็รู้ทันเมื่อตามองเห็นจิตใจเป็นกุศลขึ้นมาก็รู้ทันจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงก็รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงนะเกิดความสุขขึ้นในใจรู้ทันเกิดความทุกขขึ้นในใจรู้ทันเกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลงขึ้นในใจรู้ทันนี่แหละเรียกว่าการจูจิตนะ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 ต่อไปนี้เราจะไม่หวั่นไหวกับความเปลีป่ยนแปลงทุกๆอย่างเร า, เราจะรู้เลยว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็เป็นของชั่วคราวความชัววมช่วก็เป็นของชัวงงช่วคราวเราจะเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาได้แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปทั้งสิ้นเลยถ้าใจยอมรับตรงนี้นแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่ทุกข์ทางใจความทุกข์เนี่ยจะเข้าถึงได้แค่ร่างกายของเรา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 ห้ามจิตใจว่าอย่ามีความทุกข์เราสั่งไม่ได้สั่งคิตใจว่าจงดีอย่างเดียวนะห้ามชั่วนะก็สั่งไม่ได้เนี่ยในความเป็นจริงของชีวิตเรานะเต็ไมไปด้วยของที่สั่งไม่ได้เรืออ่องเราจะพ ล, ดพลาดพลาดจากคนที่เรารักเราต้องเจอกับคนที่เราไม่รักเราก็เลือกไม่ได้ยังความ พ, พลาดพลากมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้การที่ต้องเจอเคนที่เราไม่ชอบเจอในปรากฏการในสถาน ก, การณ์ที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นเมื่อไร่ก็ได้ ความทุกข์มันเกิดจากใจเราไม่อยอมรับความจริงของชีวิต land. แก่แล้วไม่อยอมแก่นะไม่อยากแก่ก็ทุกข์มันจะต้องเจ็บป่วยไม่อยากเจ็บป่วยมันก็ทุกข์มันจะต้องตายไม่อยากจะตายมันก็ทุกข์เราจะต้องพลาดจากสิ่งที่รักจากคนที่เรารักเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์มากถ้าเรายอมรับได้ไม่ทุกข์หรอกเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นกล่าวๆเจอสิ่งที่ไม่ชอบเป็นกล่าวๆ ถ้าใจเรายอมรับได้เราก็ไม่ทุกข์ถ้าใจยอมรับไม่ได้ใจก็ทุกข์เนี่ยใจของเรามันเป็นอย่างนี้เอ ง, เองคือความอยากทั้งหลายเกิดขึ้นมานะมันทําให้ใจของเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราปฏิบัติธรรมนี่เรามาเรียนให้เห็นความจริงของชีวิตเลยร่างกายทั้งใจว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวเนี่ยพอล่างกายมันแก่ร่างกายมันแก่เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรมมรมดาเมื่อไรง่ายธรรมะ Stuart. เราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อไรเราไม่ทุกข์รแก่ก็แก่แกร่างกายมันต้องแก่เป็นบุญ แ, แล้วที่ได้อยู่มาจนแก่ร่างกายต้องเจ็บถ้ามันเจ็บไข้ขึ้นมาเราอยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายมันต้องเจ็บป่วยบ้างเป็นธรรมดาเราจะไม่ทุก e ข์ในในเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยมีหลายคนอยู่ๆก็เป็นมะเร็งขึ้นมาเป็นมะเร็งปุ๊บ พอรู้ว่าเป็นมะเร็งนะชอบตายเลยยังไม่ท่านตายเพราะมะเร็งก็มีนะกเนี่ยมีพระองหนึ่งพระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นเจ้าคณะภาคท่านอยู่ที่โคราชท่านบอกว่าวันหนึ่งญาติญาติมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมากันอย่างรา่าเริงเลยนะสดชื่นมาอย่างดีมาถึงก็มาพักที่วัดแล้วก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็ออกเที่ยวหลายวันนะวันที่ไปฟังผลเนี่ย กว่าเป็นมะเร็งญาติๆต้องหามกลับมาที่วัดนะเพราะว่าช็อกไปแนละ้วกลับบ้านนะไม่กี่วันตายไปเลยยังไม่ได้เป็นมะเร็งมากด้วยนะเต็นยิดเดียวคือใจที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้นะใจยังมีความทุกข์มากนะอย่างพวกเราเนี่ยถ้ายอมรับได้แล้วก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่เรายอมรับเมื่อเราพลาดบ้านผลานเมืองมาอยู่ที่นี่มาเรียนมาซื้อมรดมาหากิน มาใหม่ๆจิตใจไม่มีความสุขอเงี้ยคิดถึงบ้านคิดถึงเลยอยู่ไปนานๆเราปรับตัวได้นะเราปรับใจได้อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้มม่หยุดที่ใจของเรางั้นถ้าใจเราปฏิเสธสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันใจจะถุกถ้าจิตใจเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างเนี้ยเป็นของชั่วคราวปรากฏการทางกายทางใจทั้งหมดเนีปรากฏการของโลกทั้งหมดนี้เป็นของชั่วคราว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 แต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติเรามีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่ของดีต่อไปแล้วแล้วกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์เราหายใจเข้าก็าเพื่อแก้ทุกข์เราเปลี่ยนกิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกข์เราลองมาทดสอบดูว่าจริงหรือไม่เพราะเราลองหายใจเข้านะหายใจไปเรืเอ่อยๆดูซิจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เอาหายใจสักห้านาทีไหวไหม หายใจเข้าไปไม่ไหวใช่ไมทำไมเราต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหต้องหายใจออกไปเรื่อยๆนะอยาหายใจเข้าไม่ไหวใช่ น, นี่นึกออกไมมเราหายใจเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์นะทำไมเราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเพื่อแก้ทุกขนะ์ร่างกายเราเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็น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 ทำไมเราต้องโทรศัพท์ไปคุยกคนอื่น่เีหวังว่าจะมีความสุขในโลกเนี้นะทางกายนก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนทั้งโลกไม่เคยเห็นเคือคนทั้งลกไม่เคยเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆคนที่ไม่เคยเจริญสติเจริญปัญญาจะรู้สึกร่างกายนี้เป็นของดีของอิเศะเป็นตัวเรา จิตใจก็เป็นคของดีของวิเศษะเป็นตัวเราเป็ของเราถ้ามหาเจริญสติเจริญปัญญามาดูความจริงของกายบ่อยๆจะเห็นว่ากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามาดูความจริงของจิตใจบ่อยๆจะเห็นว่าจิตใจก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากสนุกสนานทางใจหรือมานั่งสมาธิกัน นั่งสมาธิหวังว่าจะทุกข์ไม่ไม่ได้อยากทุกข์ใช่ไหมนั่งสมาธิหวังว่าจะมีความสุขอีกนะทาทุกสิ่งตัวอย่างนะเพื่อจะหาความสุขแต่ว่าถ้ามีสติปัญญาพอจะพบว่าความสุขสั้นนิดเดียวความสุขนั้นสั้นนิด้เดียวนะแค่หายใจออกไปแป๊บเดียวก็ทุกข์แล้วความสุขมีนิดเดียวหายใจเข้าให้ยใจเข้ามีความสุขอยู่นิดเดียวนะความทุกขก็ตามมาอีกนะให้คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะ อันนี้เป็นความลับที่พระพุทธเจ้าคน้นพบเป็นศัธรรมที่ลึกซึ้งคนทั่วไปไม่เข้าใจเลยใครๆก็เกลียดทุกข์ใครๆก็กลัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราเผชินหน้ากับความทุกข์แล้วความทุกข์ไม่ใช่ทุกทรมานนะสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือกายกับใจของเราเองอะไรเรียกว่าทุกข์พวกเราได้ส่วนมนต์แปลบ้างไหม เคยหมใครเคยสวดมนต์บ้างมีไหมหรือสวดไม่เป็นหรอกทำบัตรเช้าได้ทําบัตรบ้างไหมครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยได้แปลไห ม, ไมไสังขิตเตนะพันจุปาทานนัขันธาทุกขาเนไว่าเธอย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกอะไรเรียกว่าอุปาทานขันทั้งห้าบางคนแปลมั่วซั่วนะแปลอุปาทานขันนะ่ะแปลว่าขันที่ถูกยึดมั่นถึงจะทุก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 นอกนั้นอย่างสิ่งที่พวกเรามีเนี่ยจะยึดหรือจะไม่ยึดร่างกายเนี้ยจะยึดหรือไม่ยึดมันก็คือตัวทุกข์จิตใจนี้เราจะยึดหรือไม่ยึดมันก็เป็นตัวทุกข์งั้นโดยย่ออุปาทานกันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คือตัวนี้แหละตัวทุกข์กายนี้แหละใจนี้แหละคือตัวทุกข์จะยึดหรือจะไม่ยึดกับทุกข์นะนั่นเรามาเฝ้ารู้ความจริงของกาของใจไปรู้ปังอะนิจจ์นะสวดไหมเวท น, น, นานิจจาสวดกันเย่งเลยนะ รู้ไมมรูปอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่สวนนะต้องรู้สึกอยู่ใน ร, รูปร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่แหละดูปังอนิจจังะดูของจริงสิเวทนาอนิจจานะเวทนานัตตาเนีย ม, มีสองงานเวทนาไม่เที่ยงเวทนาบังคับไม่ได้ถ้าดูของจริงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกาย ใครดูซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงความโศกความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจดูซิเที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ของจริงมันแสดงอยู่แล้วว่าไม่เที่ยงของจริงมันแสดงอยู่แล้วว่าบังคับไม่ได้ส่วนมนต์อย่างเดียวไม่บรรลุหลักน้ำมากผลนิพพานแต่ส่วนมนต์ละแปลได้เนี่ยสอนวิธีปฏิบัติเราในบทสรรม ว, วัดเช้นานั้นแหละสอนวิปัสสนากรรมฐานเอาไว้แล้วหลวงพ่อแต่ก่อนไม่เข้าใจนะตอนเด็กๆบวชวัดชนประทาน กาเจ้คุณปัญญากาเป็นนักศึกษาส่วนมนแปลส่วนไปอย่างนั้นแหละไม่เข้าใจความหมายว่า ม, มาภาวนาแล้วถือโอ้ในบทส่วดมนต์นี้นะของวิเศษแท้แทเลยทสอนวิปัสสนากรรมฐานให้เราอยู่แล้วให้ดูรูปเป็นของไม่เที่ยงดูรูปเป็นอนัตตาดูความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตานะดูความจําความจําได้ความมารู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาดูสังขารนดะ้ความปรุงดีความปรุงชั่ว อย่างเช่นความรวบความโกลความหลงนี่ยว่าไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เลยนอกจากไม่เที่ยงแล้วยังบังคับไม่ได้คาว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีนะอนัตตาหมายถึงไม่อยู่นะํา <c oughs> nah, นาาบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งกายทั้งใจของเราเนี่ยที่ว่าเป็นอนัตตาอนัตตาหมายถึงสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งใดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับ ทุกสิ่งตัวอย่างเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่คำว่าอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจแต่มันเป็นไปนตามเหตุอย่างจิตจะมีเหตุของความโกรธนะความโกรธก็เกิดจิตมีเหตุของความโลภความโลภ ก, ก็เกิดจิตมีเหตุของความสุขความสุขก็เกิดในร่างกายก็มีเหตุมีให้เกิดมันก็เกิดขึ้นมาเราฟังรู้ของจริงอย่างนี้แหละเราอย่าไปวาดภาพนะว่าการปฏิบัติธรรมเลยต้องนั่งสมาธินิ่งๆอย่างเดียวนะ หลวงพ่อนั่งยี่สสองปีมันนั่งแข่งกับใครก็สู้ไหวนะไม่กลัวหรอกนั่งสมาธินั่งให้สงบนั่งไหนเล่นมาเยอะละที่ตอนเด็กๆ เ, เล่นแล้วออกนอกก็นั่งปุ๊บเปสักพักเดียวมันเด็กมันนั่งง่ายไม่คิดมากอาจารย์สอนง่ายหาใจเข้าพูดให้ยใจออกโทนะห้ยใจแป๊บเดี๋ยวลมมันตื้นตื้นตื้นกลเป็นดวงสวา่าง เป็นแสงสว่างนะจากแสงสว่างเนี้นเราอยากจะไปเที่ยวไหนนะก็ดูที่แสงนะออกเที่ยวของเราไม่ล้างกี่เลยหรอกยี่สิบสองปีทำแต่ความสงบไม่ได้ล้างอะไรสู้กิเลสไม่ได้มาหัดเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรื่อยไปใช้เวลาไม่นานนะความทุกข์ก็ค่อยลดลงลดลงนะจิตใจเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นใช้เวลาไม่มากหรอก ค่ๆฝึกออกหันมาเรียนรู้ความจริงของกายในรู้ความจริงของจิตใจตนเองบ่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะคิดไปโน่นไปนี่นะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยเห็นใจมันค่อยๆโฟล์ทขึ้นมาจากความหลับค่อยๆตื่นๆขึ้นมาใจมันตื่นขึ้ว่าเห็นร่างกายมันนอนอยู่ใจเป็นคนดูพอใจมันเริ่มคิดขึ้นมาก็จะเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมา เขารู้ทันความรู้สึกไปจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายชั่วคราวร่างกายที่นอนอยู่ก็ชั่วคราวความรู้สึกทั้งหลายก็ของชั่วคราวนี่แหละเนี่ยว่าการเจริญสติเจริญปัญญานะไม่ใช่ทําให้นิ่งไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ทําให้นิ่งก็ดีกว่าฟุ้งซ่านะแต่ไม่พ้ทุกข์งั้นถ้าเราอยากพ้นทุกข์นะพ้ทุกข์ได้ก็เพราะจิตยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวกายนี้ก็ชั่วคราวจิตนี้ก็ชั่วคราว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 ขันเป็นทุกข์ไม่รู้สึกหรอกมิจะรู้สึกว่ามันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเนี่เราไม่ได้รู้จักความจริงนะเพราะงั้นเราปล่อยวางไม่ได้เมบางคยเราพูดมักง่ายบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไอ้นู่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดพูดเอาเองว่าไม่ยึดจริงๆยึดทาไมยึดเออเพราะไม่เห็นความจริงไม่เห็นทุกข์ของใครของใจถ้าเห็นทุกข์ของใครของใจได้เมื่อไหร่มันไม่ยึดของมันเองนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะ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 นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเมื่อท่านเห็นแจ้งว่าร่างกายเป็นทุกขนะ์เมื่อท่านก็ไม่ยุดเองแ่ะจิตมันไม่ยุดหอกหรือพระอราหันต์ท่านจะเห็นนะจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะพวกเราอย่าสาคัญผิดนะว่าพระอราหันตะ์ท่านฝึกเพื่อให้จิตมีความสุขท่านไม่ได้มุ่งเอาอมาตรงนี้นะแต่ท่านฝึกจนท่านเห็นความจริงนะจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วท่านสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตต่างหากท่านถึงพ้นทุกข์เคยได้ยินคําว่าพ้ทุกข์ไหม อะไรเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือจิตมันพ้นจากขันห้ามาทาไมจิตมันพ้นขันห้ามันไม่ยึดตือขันห้าได้เพราะมันเห็นความจริงของขันห้าแล้วว่ามันเป็นทุกข์แค่นี้เองอ่ะเคล็ดลับมันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทุกข์ให้มากร่างกายหายใจออกอืมันทุกข์แฮมันหายใจเพื่อแก้ทุกข์จะหายใจเข้ามาแก้ทุกข์ทุกหายใจเข้าไปแป๊บเดียวกล้ทุกข์อีกแล้วก็หายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้ว นั่งอยู่ก็ทุกข์ขยับไปขยับมานะก็ต้องขยับตัวแก้ทุกนั่งนานนั่งไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินต้องเปลี่ยนอิรยาบุเวลานอนทุกข์ไม่นอนรู้ไหมคืนหนึ่งขยับตัวกี่ครั้งทั่วทั่วไปแล้วประมาณ3 0สิถึงี่ิครั้งถ้านอนแล้วสติดีนะขยับตัวกูกีกูกี้เนี่ยรู้ทั้งคืนเลยไม่ใช่นอนไม่รับนะร่างกายหลับนะปลวนครอกอกเนี่ยแต่จิต น, นั้นตื่น จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเห็นในร่างกายที่ว่านอนอยู่มีความสุขไม่สุขจริงอะ่ะถึงนอนที่นอนอ่านละแสนนะนอนแต่เดียวเดียวก็เมื่อยนะมันไม่ได้เมื่อยที่ที่นอนนะมันเมื่อยที่ร่างกายต้องคลิกไปพิกมาเนี่ยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดนะแต่ว่าคนที่ไม่เคยเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษของกายของใจจ้างให้เขาไม่ปล่อยวาง ถึงจะมาบอกว่าอย่ายึดมั่นอย่ายึดมั่นเอาเข้อจริงก็ยึดมั่นเขาปล่อยไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เห็นทุกผู้ใดเห็นทุกพวกนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่รู้ทุกก็ไม่รู้ธรรมทุ ก, ทกถึงเป็นสัจจข้อแรกของพระอริยเจ้าเคได้ยินใช่ไหมอริยสัจ ส, สข้อแรกคือทุกนหน้าที่ต่อทุกให้รู้งั้นหน้าที่ของเราคือรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูสิ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 ความสุขจะมาหรือความสุขจะไม่มาจิตใจก็คงที่นะจิตใจก็มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ภายในไม่ต้องวิ่งหาความสุขอะไรข้างนอกเลยอิ่มอยู่ข้างในความทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าเราเห็นความทุกข์เป็นของชั่วคราวเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราเราไม่ทุรนทุรายหรอกเรารู้ว่าชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวนะฉะนั้นที่ราหัดมาเจริญปัญญาี่ยเพื่อให้เห็นความจริง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 บังคับไม่ให้พลพรากจากสิ่งที่รักคนที่รักเราบังคับไม่ได้บังคับว่าจะต้องสัมผัสกับความสมบวังตลอดบังคับไม่ได้นี่มาดูของจริงนะไม่ยากเกินไปงั้นประโยคแรกที่หลวงปดลสอนหลวงพ่อเนะี่ยประโยคแรกเลยท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไม่ใช่ยากอะไรรู้สึก กายก็เห็นความจริงของกายไปรู้สึกในจิตใจก็เห็นความจริงของจิตใจไปพวกเราเรียนได้นะนี่เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วลงมือปฏิบัติลงมือคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆในเวลาไม่นานหรอกสองสมเดือนบางคนเดือนเดียวนะชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนละมีเด็กคนหนึ่ง5้าขวบเด็กอายุห้าปี ไปฟังหลวงพ่อสอนอยู่ที่บ้านจิตสบายสอนอยู่หลายบนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกอาลูกศิษย์หลงพ่ อ, อ้นบอกว่าเขาเห็นความโกรธแต่ทำไมความโกรธมันสั้นนิดเดียวเพาความโกรธเกิดขึ้นแล้วสติเกิดปั๊บนะความโกรธมันดับอัตโนมัติเลยตัวอื่นก็เหมือนกันความทุกข์เกิดขึ้นนะสติระเล็กรู้ปั๊บความทุกข์จะดับอัตโนมัติเลย สั้นนิดเดียวปัจจุบันเนี่ยสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีนะแต่ปัจจุบันก็คือขนาดจิตต่อหน้าเรานี่ยนหะทุกอย่างเกิดแล้วก็สดับปับป๊บปั๊บปันะ๊ใครดูของจริงเยอะมากนะเกิดเมื่อไหรจิตยอมรับความจริงได้ก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมยากไปไหม <c oughs> จะยากอะไร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 มนุษย์เนี่ยแสวงหาอิสรภาพแตลาดเวลาแต่ตงเป็นธาตุของปัญหาตกเป็นธาตุของความอยากโดยไม่รู้ตัวหรอกนึกว่ากูแน่นกูแน่นะกิเลสสั่งทั้งวันเนี่ยสั่งให้ไปนโน่นเข้าไปสั่งให้ไป น, นี่เข้าไปสั่งให้มาวัดเขามานะ <S <S <S <S แต่ต้องรู้จักนะอย่างกิเลสบอกให้มาวัดนะตัญหาอยากมาวัดเรารู้ทันนะตัญหาดับหรือเหตุผลนะ สองคนมาวัดเราก็มาไม่สงคนมาเราก็ไม่มาเราไม่ได้ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่อยากมาวัดเออไม่มาอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนไอ้นั้นทฤษฎีเกาเหถ้าเราเราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลชีวิตของชาวพุทธนะเป็นชีวิตที่รู้รู้ ร, ร, รู้สึกตัวเป็นชีวิตที่ตื่นเป็นชีวิตที่เบิกบานร่าเริง ไม่ใช่ชีวิตีเคร่งเครียดเงายเงาเศ้าสร้อยนะบางคนไปเข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนามองโลกแง่ไรายเพราะมองทุกข์ถ้าศาสนาพุทธสอนแต่เรื่องทุกข์ไม่สอนถึงเหตุของทุกข์ไม่สอนวิธีพ้นจากความทุกข์แล้วก็เป็นศาสนาที่มองโลกแง่รายแน่อันนี้ท่านพาให้เห็นความจริงว่ามันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเพราะใจมันอยากนะถ้าทำไงใจจะพ้นทุกข์ใจเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวแล้วมันจะอยากทำไมมันหมดอยากมันก็พ้นทุกข์สิ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 เราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้นะร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกคนส่วนใหญ่มันไม่รู้สึกแบบหลงหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมีร่างกายเราก็ลืมเหมือนไปมีจิตใจก็ลืมเหมืนไปอย่างเวลาเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยแล้วรู้สึกไหมมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจก็ลืมนี่แหละไม่ใช่ชาวพุทธแล้วต้องพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกพยายามรู้สึกไป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 เขาดีนี่มีผลทำให้จิตใจพัฒนาได้เพราชัวนะ่วน่ะจิตใจไม่พัฒนาแล้วเราก็ยังฝึกนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากที่สุดแค่นี้เองส่วนมรรผลที่่านนั้นเขาเป็นเองจิตเขาเป็นเองไม่อยากเขายืนยัน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 ปัญญาจากการอ่านการฟังนัเป็นปัญญาของคนอื่นเราไปอ่านไปฟังเไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาอย่างที่สองจินตามายาปัญญาคิดเราเองคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่คิดผิด <c oughs> คิดผิดคิดที่ไหนก็มีเราทุกทีมันไม่สามารถเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีปัญญาอย่างที่สามอันนี้แรละสำคัญนึว่าภาวนามายปัญญาจเจริญสติจเจริญปัญญา ดูของจริงถ้าเทียบกับงานทางวิชาการมันคล้ายๆงานวิจัยภาคสนามงานวิจัยภาคสนามเลยแต่เราไม่ได้วิจัยสิ่งอื่นเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจออบเจกต์ของการเรียนรู้คือกายกับใจเนี่ยเรียนรู้จะเห็นความจริงนะไม่เชี่ยงเป็นตู้เป็นอัณฑะรู้ความจริงตัวนี้แหละเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงเรี่วิปัสสนาปัญญา ถ้าเกิดมีปัศนาปัญญาเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าจิตหมดความยึดถือจิตก็หมดภาระไม่มีความหนักเกิดขึ้นถ้าเรายึดอยู่นะก็หนักอยาตรงนี้หนักไหมเทียบกับแก้วน้ําอันไหนหนักอันไหนเบาแก้วน้ําหนักเนาะแก้วน้าไม่หนักสำหรเราลงพ่อเลยพลวงพ่อไม่ได้ถืออย่าดมนี้หนักนะเขาถือเอาไว้เนี่ยถ้าเราปล่อย ใแล้วก็แค่น้ําก่ยาดมนี้เท่ากันแล้วนะคือไม่มีน้ําหนักในใจแล้วใจนี้เหมือนกันนะไปยึดอะไรก็จะหนักเพราะนั้นนะแต่ถ้าใจเห็นความจริงว่าไม่กล่องไร้สาระมันจะโยนจริงเองพวกเราเคยเคยเห็นเต่าฐานมัน้งเต่าที่ใช้ฐานเคยเห็นไหมเคยยังโบราณอยู่เนอะถ่านไฟแดงๆสวยไหมสวยสวยโทษ เด็กๆนะเด็กบางคนอ่ะมันเห็นถานไฟแดงๆสวยนะมันอยากจับผู้ใหญ่คอยห้ามเลยอย่าไปจับมันอย่าไปจับมันไม่เชื่อเพราะมันไปจับเข้าทีหนึ่งนะต่อไปเรียกให้จับมันไม่จับอีกแล้วเพราะอะไรเพรามันเห็นทุกข์จิตนี่เหมือนกันนะถ้าจิตเห็นทุกข์ว่าขันเนี่ยเหมือนถานไฟแดงๆกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เขาไม่จับของเขาเองเขาปล่อยของเขาเอง งั้นอย่าเราอย่าไปมักง่ายนะว่านอน ก, ก็ไม่ยึดมัน่นนี่ก็ไม่ยึดมัน่นมันยังไม่เห็นทุกข์มันยึดอยู่ถ้าถ้าเห็นทุกข์เมื่อใดมันก็เลิกยึดเองไม่ต้องสั่งหรอกนะงั้นธรรมของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องวลีสวยๆประโยชน์สวยๆพูดแล้วฟังเพลินๆ น, นะทำทั้งดวงไม่ควรยึดมัน่นจริงๆยึดนะทุกอย่างว่างนี่ก็มักง่ายนะทุกอย่างว่างเปล่า ว่างเล่าก็ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระเจ้าสอนว่าสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งใดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับมันไม่มีมันว่างมันว่างจากความเป็นตัวตนถาวรว่างอัตตาตัวตนถาวรไม่ใช่ว่างแปลว่าไม่มีอะไรเลยนี่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันซ่อนอยู่ในศาสนาพุทธเต็มไปหมดเลยสอนทำจิตให้ว่างทมจิตไม่ยึดถืออะไรเลยพูดแต่ปากมันไม่มีวิธีการที่จะไปถึง วิธีการที่จะไปถึงความปล่อยวางได้ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนได้ก็คือการเจริญปัญญาเนี่ยเจริญสติเจริญปัญญาไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจซ้าแล้วซ้ำอีกเจวันเจ็เดือนเจปีแต่ถ้าทําที่หลวงพ่อบอกนะค่อยรู้สึกในกายรู้สึกในใจอยากใจลอยหนีไปเรื่อยๆถ้ไม่เพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งแค่คอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเดือนเดียวก็เห็นผลแล้ว ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนืนช้าน่าอัศจรรย์ที่สุดเลยแล้วเราจะพบว่าพวกเราถึงประเทศเราจนคนเราจนการศึกษาไม่มากอะไรนะแต่เรามีของดีอยู่แล้วเรามีศาสตรแห่งความพ้นทุกข์ทึ่งคนทั้งโลกเขาก็หวังเขาก็อยากจะได้ศาสตร์ของความพ้นทุกข์อันเนี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าความทุกข์มันคืออะไรไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ เขาไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรเกิจากใจมันอยากมันอยากในของซึ่งมันอยากให้ของซึ่งไม่เที่ยงเหมือนเที่ยงอย่างเวลามีความรักอยากให้มีความรักนี่รันดอนรู้สึกหมอยากให้มีความรักนี่รันดอนถ้ามีแต่งงานไปนะแล้วสามีเราเฝ้าเราทั้งวันเหมือนตอนเราเป็นแฟนนะปวดหัวตายเลย <laughs> มันเที่ยงเกินไปนะแ <laughs> <laughs> น่ใจเราจะพิลึกอย่างนี้นะ เราอยากให้ของไม่เที่ยงนะมันเที่ยงอยากให้ของที่เป็นทุกข์นะมันเป็นสุขอยากให้ของที่เราบังคับไม่ได้นะบังคับได้อย่างเราอยากบังคับคนอื่นนะไม่ไม่มีที่จะบังคับตัวเองะแต่ถ้าคิดบังคับตัวเองก็เครียดไปเลยจริงๆบังคับไม่ได้เมืความไม่ฉลาดอยากได้ให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้ของเป็นทุกข์มันเป็นสุขอยากให้ของที่บังคับไม่ได้นะบังคับได้ แต่ถ้าอยอมรับความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกคือถูกบีบคั้นอยู่กระทั่งความสุขก็เป็นทุกในแง่ของการถูกบีบคันความสุขอยู่ชั่วคราวเนี่ยแตกสลายอันตัวอย่างอะไรก็ชั่วคราวสิ่งใดชั่วคราวสิ่งนั้นก็เป็นทุกคือทนอยู่ไม่ได้แล้วก็สิ่งนั้นเป็นอนัตตามันมีขึ้นมาเพราะมีเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับก็แค่นั้นเองเรียนรู้ให้มากนะความจริง อันนี้จังทุกขังอนัตตาของกายของใจแล้วเราจะพบความอัศจันย์ของธรรมะที่เลิกมันประหลานวันนึกไม่ถึงนะหลือว่ามันนึกไม่ถึงหลวงูดูสอนให้ดูจิตตัวเองดูดูอยู่เจ็ดเดือนอันนี้จิตมันสอนอุทานขึ้นมาเออจิตมันไม่ใช่ตัวเราธรรมะอย่างนี้ไม่เคยคิดไม่เคยนึก ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราไม่เคยรู้มาก่อนจิตมันไปเห็นจริงจิตไม่ใช่เราไปสมกันบ้านกับหลวงปู่หลวงปูบ่บอกภาวนาเป็นแล้วภาวนาถูกแล้วช่วยตัวเองได้แล้วให้ทําต่อไปอีกก็มาดูต่อไปเรื่อยนะในใจนี่ลึกๆมันมีความรู้สึกตลอดเวลาเลยเราไม่รู้อะไรบางอย่างการที่เราไม่รู้อะไรบางอย่างเนี่ยทําให้เราไม่พ้นจากถูก แต่ไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรนะจนมาบวชนะมาภาวนาสองปีกว่าสาม พ, าพรรษาภานาไปได้ได้เพราะเราไม่รู้จักอริยสัจนะไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักทุกนั่นแหละวันนี้ที่เทศใ้ฟังเนี่ยไมเป็นเรื่องอริยสัจนะถ้าใครก็ถามว่าฟังหลวงพ่อประมดพูดเรื่องอะไรให้ฟังจะได้ตอบถูก <c oughs> เพราะเวลาหลวงพ่อเทศให้ฟัง ถ้าไม่ไปฟังเลยฟังยากใครรู้สึกว่ายากบ้างใครรู้สึกว่าขณะนี้มีความสุขบ้างนีอแหละดูจิตเป็นละจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขยวไม่เป็นอีกหรอแล้วไปดูเร้่อยๆนะเดี๋ยวความสุขก็หายไปจิตใจมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ดูไปเร้่อยๆนะเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไป จิตใจโลภจิตใจโกรวจิตใจหลงรู้ว่ามันโลภมันโกรธมันหลงนะเดูไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปเนี่ยดูซ้ําๆง่ายแค่นี้แหละบางคนมาบอกหลวงพ่อว่าดูจิตยากต้องดูกายโถที่ว่าดูกายดูไม่ถึงไม่ถึงรูปจริงๆนะเพราะฉะนั้นบางทีที่ว่าดูกายดูจายถึงจะเป็นวิปัสนาดูแล้วไม่เป็นหนระือรูปที่แท้จริงผมเป็นรูปไหม ผมเป็นสมมติบัญญตัติอะไรที่เป็นรูปธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปเห็นธาตุไหมไม่เห็นเห็นแต่ผมเห็นขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช่ไหมไม่ใช่รูปนะดังนั้นสมมติบัญญัตินะนนการที่จะทะลุสมมติบัญญตัติของเส้นผมไปเห็นรูปที่แท้จริงไม่ใช่ง่ายน ะ, ะไม่ใช่ง่ายส่วนดูจิต น, นะหมูสไตล์เลย รูจร้จัโกรธไหมโกรธไม้ไลยโกรธเลยโลภ ก, ก็คือโลภเละไม่เห็นต้องแยกต่อมาเลยนี่ไม่แยกสุดขีดแล้วเข้าถึงตัวนามมาทําที่แท้จริงแล้วง่ายอนัาดนี้เลยมีคนมาเตียงหลวงพ่อสมไยที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆเนอะดูจิตยากต้องดูกายพวกไหนลองดูให้ดูซิเอาเลยนั่นไม่ได้ดูกายแล้วนั่นไปเพ่งลมหายใจหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เจ็ดขวบ ว่าเหน่นจะบรรลุอะไรเลยรู้ไหมในลมหายใจของเรามีธาตุไฟอยู่ธาตุไฟไม่เทีเยงเวลาลมหายใจเข้าบนอุณหภูมิออกมา น, น้อยหายใจออกมันร้อนขึ้นใช่ไหมธาตุไฟในลมหายใจในไม่เทิเยงในลมหายใจมีธาตุน้ําแต่ไม่ใช่อายน้ํานะ ในไอ้น้ำมีทั้งธาตุติดน้ำไฟลมกทิงในลมหายใจมีธาตุน้ำน้ำคืออะไรคำว่าน้ำในความหมายของศาสนาพุทธนะแรงดูดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลในลมหายใจเนี่มีแรงดึงดูดไห ม, มีนะแต่มันน้อยเพราะมันกระจายตัวไปเร็วนะในลมหายใจมีมวลไหมชั่งน้ําหนักได้ไหมมีชั่งได้มีมวลนะ แั่นธาตดินขอนแข็งบ้างอ่อนบ้างแต่ธาตุดินมีน้อยมันเลย อ, อ่อนมันมีความเคลื่อนไหวไหมมีความเคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวเรียกว่าธาตุลมงั้นในแก้วน้ําเนี้ยมีธาตุลมไหมมีนะครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลอายุตั้งเกือบร้อยไม่ได้เรียนหนังสืออย่างพวกเรา วันหนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาให้ฟังทึ้นชี้ไปที่พื้นบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็าตามล้วนแต่เคลื่อนไหวเราก็งงเนี่ยเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์สมัยโบราณหรอสิ่งไม่มีชีวิตมันเคลื่อนไหวไม่ได้บอกถ้ามันเคลื่อนไหวไม่ได้นะมันจะไม่เก่ามันจะไม่แตกสลายมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลามันหมุนอยู่ตลอดเวลานื้อภายในทําไมมันหมุนได้ไม่มีทาดุลมเขา มีช่องว่างมีสเปซมีอะไรนั้นได้ที่พวกเราบอกว่าดูกายแล้วเห็นรูปเนยะมันดูแต่กายเห็นแต่สมมุติบัญญตัติคือรูปที่มารวมกันเป็นกลุ่มๆแล้วอันนี้เรียกว่าผมเล็บฟันหนังนะเนเอ็นกระดูกนะนั่นไม่ใช่ตัวรูปที่แท้จริงเราลองเอามือกดที่พื้นกดแล้วลองจับแขนเราดูเอาจับดูอย่างนั้นยากลงเกรงมือใช่เกรงมือแล้วลองสัมผัสดูมันแข็งไหม ลองคลมือออไม่กลงิงมันนิ่มขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ธาตุดินมันเปลี่ยนธาตุดินมันเปลี่ยนถ้าดินมันมากมันก็แข็งถ้าดินมันน้อยมันก็นิ่มดูยากนะแต่ถ้าจิตไม่สรงสมาธิจริงๆดูธาตุเนี้ยทางดูกายเนี่ยยากมากเลยบางคนบอกว่าดูกายง่ายแต่ความรู้สึกเนี่ยเป็นปรมัตญธรรมอยู่แล้วสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเป็นปรมัตญธรรมอยู่แล้ว ไม่ใช่บัญญตัติคนไทยโกรธหรือฝรั่งโกรธความรู้สึกเหมือนกันใชเหมือนกันคนจีนโกรธก็เหมือนกันนัเป็นตัวปรมัตถธรรมในการทำมิปัสนานะเรียนเข้ามาให้เห็นตัวปรมาถ ธ, ธรรมปรมาถธรรมสั่งจิต ง, ง่ายที่สุดแหละมีคนเตียงหลวงพ่อตอนสอนใหม่ๆว่ายากหลวพอเล่นเด็กมาคนหนึ่งโกรธเป็นไหมรู้จักไหมเป็นอยากเป็นไหมเป็น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 เวลาคนทั่วไปเขามีความรักเขาก็ไปมองคนที่เขารักเขาก็ไปมองของที่เขาชอบที่เขาอยากได้เรารู้ทันว่าใจกำลังโลภอยู่ใจกำลังอยากอยู่แค่นี้เองแล้วเนระจะเห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปง่ายๆแค่นี้แหละง่ายไหมง่ายถ้าใครบอกว่ายากนะถึงพ่อแม่บอกหลวงู่เดินบอกการปฏิบัติไม่ยากหรอยากอย่างว่าพวกไม่ปฏิบัติพวกไม่ปฏิบัติมีสองพวก พวกคิดนองคิดอย่างเดียวเลยพวกนั่ปรับยาคิดนองอีกพวกหนึ s. <S ่งพวกเพ่งนองแทนที่จะดูกายทําความเป็นจริงดูใจตามความเป็นจริงแล้วก็เพ่งกายทื่อนี่เคยเห็นไหมใช้กินข้าวทีนะชามากินกับเราแล้วเรากินหมดแล้ะง่ายๆทัว พี่คิดอะไรมากมีความสุขรู้สึกไหมแต่หลงรู้สึกไหมห <c oughs> ลง <c oughs> ไม่หล่ออย่างคําว่าหลงสงบ <c oughs> <c oughs> ใจมันดีเป็ที่ <c oughs> ลืมตัวเองเมื่อไหรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นหลงเมื่อไหรู้สึกกายเมื่อนั้นใจรู้สึกใจนะมีสติอยูนะ่มีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจดูกายทํางานดูใจทํางาน เห็นแต่ความเปลี่ยนแฟลง น, นั่นแหละการเจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาพอจิตจะปล่อยเขาปล่อยของเขาเองนะไม่ยากนะนี้เทศหลวงพ่อนานๆจะเทศง่ายอย่างน้ส <c oughs> <c oughs> สติเองเป็นคนบ่นแล้วอยู่ที่วัดเทศยากอยู่ที่สวนสันติธรรมไปฟังซีดีแล้วจะเพราะว่ายากมากเลยนี่หลวงพ่อคนมาแจกไม่ไหมทําวิดีโอเป็นชุดเลย มันหนักมากกกล่องตัวอันนั้นจะเป็นเทศที่โน่นที่นี่นะแล้วก็ถ่ายถ่ายเขาถ่ายไว้มารวมรวมเวลาเทศนอกสถานที่เนี่ยจะเทศง่าย mm hmm. เทศที่วัดจะยากเลยใจลอยอีกแล้วรู้สึกไหม mm hmm. แต่สังเกตไหมใจลอยตอนนี้กับต่กี้ไม่เหมือนกันตอนนี้ใจลอยนะแต่ไม่ฟุ้งซ่านไม่สมันสงบกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมนะรู้สึก ใส่เกลแม้ใจเราเริ่มแน่นๆน่นเริ่มแน่นขึ้นแะเนี่ยเพพยายามจะรู้สึกตัว <c oughs> <c oughs> มันก็จะแน่นนะอ๋อจะแน่นยนงะไใจเราเบาเราก็รู้ใจเราแน่นเราก็รู้เห็นไหมเบาก็มีเหตุใช่ไหมแน่นก็มีเหตุแน่นเนี่ยเพราะโลกอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้สึกตลอดเวลาแน่นง่ายๆแค่นี้แหละ เพราะความรู้สึกนั้นทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้นะาการปฏิบัติธรรมนั้นทุกคนปฏิบัติได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะปฏิบัติใครรู้สึกนะเทแค่นี้ก็พอแล้วล่ะวันะ น, นี้ใครมีอะไรจะคุยเชิญสังเกตไหมว่าใจหนีไปหมดแล้วนะใจก็ทุบๆไปเลย นหละคนในโลกเต็มไปด้วยความหลงหลงตลอดเราไม่ใช่ชาวพุทธแท้นะชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงผู้เคลิเปลืนพยายามรู้สึกตัวนะให้สมเป็นชาวพุทธแท้แท้จริงศาสนาพุทธนะถ้าไปเอานิยามคําว่าศาสนาของฝรั่งมาใช้เราไม่ใช่ศาสนาเราไม่ใช่รักที่ความเชื่อไม่ใช่อะไร แต่มันเป็นศาสตร์นหนึ่งที่จะเรียนรู้ตัวเองจนกระท่านจิตใจมีฉลาดมันไม่ทุกตอนนั้นนะ เ, เชื่อต้องมีจับฉลาดด้วยดีจริงสนุกแล้วมีจับฉลาดให้ใครตอบ ม, <c oughs> มั้เพื่อนไม่แฝงเลยทดสอบเสียงทดสอบเสียง ทดสอบเสียสงส่บกันได้มีคนไม่เท่าไหร่เบร144ค่ะบร144ครับเอเบร์ต่อไปเลยรรรอสองเ<อ><อ>บร์ไม่ได้ส่งใหม่ไ ป, ลลปแล้วเบอคุณให้่นอยค่ะอยู่ด้วยกัน<อ>รรไม่ต้องส่งอ่ะ อาว่ามาอยู่ไหนล่ะพากเรามีโอกาสเยอะกว่าคนในเมืองไทยนะเพราะว่าเวลาหลวงพ่อเทศเนี่ยคนเยอะกว่านี้ที่นี่มีนิดเดียว คือส่งไับ้านครั้งสุดท้ายเมื่อสามปีที่แล้วนะคะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าคือปิดสมถะมางา<ม>นสามปีแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าใจเริ่มว่วงไวขึ้นแล้วแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือพยายามที่จะละสมถะนะคะมสจะไปล้มนะ ม, ม, ม, มันนะเสะแล้วทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มไม่มีแรงก็เลยไม่ได้กลับมาทำต้อัทำตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยจะมีมีอารมณ์เจะมีสิ่งที่มาเร่าเยอะะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังหา แล้วก็จะรู้สึกเลยว่าในแต่ละวันนี้จะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันอ <c oughs> ืทั้งๆที่ไม่มีตัวเร่องอะไรเลยบางวันนี่จะรู้สึกเศร้าอแต่ <c oughs> น, นี้มันจะเริ่มช้าลงจากวันเนี่ยเป็นครึ่งวัน <c oughs> แล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นทีละชั่วโมงว่าจะรู้สึกแล้วก็จะเริ่มรู้สึกคสัส้นลงเรื่อยๆค่ะคือต่อไปนะเวลาความเศร้าโศก ค, ความทุกข์ความกังวลอะไรเกิด น, นี่ยสติะระลึกต้องขาดเลย แล้วครั้นี้เราจะหลือการใช้ชีวิตที่มีเหตุผลวนะ่าอย่าความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายนี่ยเป็นส่วนเกินของชีวิตมันเกิดขึ้นมามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนะมีแต่บั่นทอนเรามากขึ้นงั้นอย่าไปกังวลมันนะมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปค่ะแล้วก็คือตอนมันก็มีจะเป็นช่วงๆที่จะเห็นว่าตอนที่ความเศร้าหรือความทุกข์นี้เข้ามาเนี่ยมันเห็น แยกออกจากตัวเองคือตัวเองเนนั่งมองความทุกข์อยู่แต่ว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกอตอนที่เห็นตัวเองแยกออกมาเนจิตใจเหมือนขนะนี้ไหมตอนนี้เหรอคะแม่ะคะที่ก็ เ, ออเหมือนอย่างนี้ไม่ได้นะทำไม อ, อย่างนี้แข็งไปเพราะว่าตื่นเต้นก็ไปบีบมันไว้แล้วก็รู้ว่าไปสบายๆเห็นใจมันทุกข์ใจเราเป็นคนดูไปก็รู้เลยว่าไอ้ตัวที่ทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะ เป็นแค่ความรู้สึกที่ไหลมาไหลไปปัญหาเป็นสิ่งที่คู่เกิดทุกๆชีวิตมะเราจะมีปัญหาในชีวิตเนี่ยเกิดตลอดเวลาแต่ความทุกข์เนี่ยเป็นส่วนเกินของชีวิตมันทุกข์ขึ้นมาเพราะใจของเราเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราไม่ชอบเราอยากให้อายไปมีความอยากขึ้นมาปุ๊บมันทุกข์เลยแล้วความอยากที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้ น, นยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพป็นบั่นทอนพลังลในการแก้ปัญหาเดเรื่อยๆไป งั้เราอย่าไปจมกับความทุกเนาะให้เหลือแต่ปัญหาแต่ไม่มีความทุกข์ค่ะแล้วตอนนี้ก็พยายามทำํำ<ม>สมาธิ ท, ธทุกวันนะคะวันละเล็กกน้อยตามตามทีต้องท<ำ>ําไม่ทําไม่ได้นะที่หลวงพ่อ บ, บอกบางคนให้หยุดการทําสมาธิไว้ก่อนนะียเพราะไปติดเพ่งติดนิ่งอยู่กันกี่ปีกี่ปีมก็นิ่งถ้าอย่างนั้นไม่เดินปัญญาก็าปล่อยให้มันทํางานแต่ว่าพอมันทํางานไปแล้วเราไม่ไม่ให้จิตได้เข้าพักในสมาธิเลยนะ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 ร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้จิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจดีจิตใจร้ายคอยรู้เรื่อยๆไปอยา่าไปคิดนะสิ่งที่ผิดมีแค่สองอย่างพิคิดไปเรื่อยลืมตัวเองพอคิดถึงการปฏิบัติก็เพ่งบังคับกายให้นิ่งบังคับจิตให้นิ่งมันมีสองอย่างตัวที่ปล่อยหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยย่อนเกินไป ตรงที่บังคับกายบังคับใจไว้เนี่ยตึงเกินไปนี่แหละความสุดตรงสองข้างตรงที่รู้ทันจิตที่หนีไปคิดเรื่องนจะพอดีจิตนะเราหนีไปคิดทั้งวันนะรู้สึกไหมมีเกล็ดรับง่ายๆนะที่พวกเราจะฝึกให้รู้ทันทเวลาจิตหนีไปคิดเร็วๆจิตหนีไปคิดแล้ว เ, เรารู้เร็ววิธีที่ง่ายๆนะเช่นเราหัดทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ท่พุโทโธพุทโธในใจก็ได้หรือรู้ร่างกาย <S <S <ess> <S เห็นเห็นร่างกายหายใจก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายสายลงพัดเทียนเขาเคลื่อนไปรู้แล้วคอยรู้ทันจิตว่ามันหนีไปคิดเรีนพุโทโธพุทโธจิตหนีไปคิดก็รู้หายใจอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้ดูท้องฟองยุ่มอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้การที่เราคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะต่อไปพอมันไหลไปคิดแวบนะสติเกิดเองเลยมันจะไม่หลงนาน ความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะเกิดตอนที่จิตลงไปคิดเท่านั้นแหละถ้ารู้สึกตัวอยู่ความทุกข์ทางใจจะไม่มีแตกนะ <c oughs> แปกแต่จิตแล้วไงอีกจบยังจบแล้วค่จบแล้วคนข้างๆมรดการจะถ่มปกติยมงไม่ได้ไปปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์สนใจก็จะ ฟังแต่ที่ยุแล้วก็อ่านนะคะนี่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติถูกหรือเปล่าอ่าโดยทั่วไปทุกคนอาจจะจับลมหายใจแต่ตัวเองจะจับอยู่ที่มือที่ประสานกันเมื่ น, นั่งไปนานๆเนี่ยรู้สึกบางส่วนของร่างกายเนี่ยหายไปแต่ว่าไม่หายไปทั้งหมดทั้งร่างกายไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกได้อย่างนั้นได้สมาธินะทําสมธาธิ จิตนั้นสงบบาทีร่างกายหายเป็นส่วนๆไปต่อไปนี้เวลามาอยู่ในชีวิตจริงนะเนี่ยมันจะเรื่อสติในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ยศขึ้นอย่างเห็นคนนี้แล้วหงุดหงิดก็หงุดหงิดเกิดปล่อยไหมบางครั้งทงันกะบางครั้งไม่กะเราไม่ไม่ต้องทันไม่ทันไม่สําคัญอนะนะอเอาแค่ว่าใจมันหงุดหงิดขึ้มารู้ทันเดี๋ยวหุดหงิรู้อีกนะของโยมเนี่ยดูไม่ยากหรอกเพราะมนขี้หนะ ง, ง, ง, งุดห ง, งิด ก็ห uhm. ุดหงิดเมื่เรารู้แล้วมันจะสลายตัวไปเดีมันมาอีกก็รู้อีอย่างนี้เราเรียกว right er no er ่าเราเจริญปัญญาอยู่สุดท้ายเราจะเห็นเลยทั้งวันจิตมีสองอย่างคือจิตที่หงุดหงิดกับจิตที่ไม่หงุดหงิดนะมัจะมีอย่างนี้จะเห็นได้จิตที่หงุดหงิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่สบายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่แหละเรียกว่าเจริญปัญญาสุดท้ายก็จะเห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ส่วนการที่ิยมนั่งสมาธิร่างกายหายเป็นส่วนๆเลยก็ทำต่อไปไม่เสียหายอะไรจะได้ได้พักผ่อนทางจิตเก่งนะดีะทีนี้ถ้าเราต้องการควรจะมีความกำหน้านควรจะจับจิตยังไงหรือว่านั่งไปยางไง น, นะคะไอ้ตอนนั่งก็งงไปนะไอนั้นไม่ไม่เกิดปัญญาหรอกนั่งทำสมาธิทำให้จิตใจได้พักผ่อน ตัวสำคัญตานที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหัวจมูกลิ้นแกนใจกระทบกระหนมเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไว้ตัวนี้แ่ละสำคัญสแกนค่ะแต่ว่าไม่มีคำถามแล้วเบอร์4ี่รแล้วก็3าม คำถามที่หนูจะถามหลวงพ่ อ, พอหลวงพ่อ พ, อพอี่ตอบไปเมื่อกี้นะคะเรื่องเรื่องให้ดูอความคิดนะคะคือหนูใช้อุบายใช้ทําบริกรรมอะค่ะแต่ว่าบางทีบริกรรมแล้วมันก็ยังคิดอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าจิตหนูมันเพลินกับความคิดนะคะหลวงพ่อค่อยดูไปนะจิตเราเครียดง่ายนะมันจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแล้วม่เครียดขึ้นมาก็รู้ทันจิตไลหลไปคิดเราไม่ห้ามนะ ถ้าไปห้ามมันยิ่งเครียดกว่าเก่าอีกเพรว่าจิตไหลไปคิดได้รู้ทันจิตเคลียดขึ้นมารู้ทันรู้บ่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตที่เครีคยดขึ้นมานะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ต้องไปฝึกให้มันหายนะเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับกายบังคับใจเพราะว่ามันเครีคยดขึ้นมารู้ทันแนละ้วมันก็หายเดี๋ยวมันมาใหม่ก็ดูใหม่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 เราสึกร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยหัวใจมันเคลื่อนไหวเราไม่เป็นแค่คนดูใจเราเป็นคนดูอยู่สบายสบายเราจะเห็นไหมมันเต้นของมันเองอ่ะเราเป็นคนดูไม่เกี่ยวกันหรอกเห็นไหมร่างกายไปยักหน้าอ๋อใช่ดูไปเราถ้าเห็นหน้าหัวใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันเต้นเองหรือเราเห็นร่างกายไปยักหน้าเออมันไปยักหน้าได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอก ตกใจตกใจหนีไปแล้วมาสกันกับพ่อครับคือฝึกมาสามปีสองปีครึ่งครับแล้วก็สองครั้งนี้ส่งกแกมัดครั้งแรกตื่นเต่นตอนฝึกช่วงแรกก็ ก็รู้ว่าจิตใจมันเปลี่ยนไปรู้ว่าขัดมันแยกกันเห็นเห็นเวทนามแยกผมมาแล้วก็เวลาเวลาเราโกรธเนี่ยมันขึ้นมาจากตรงหน้าอกแล้วมันก็ตัดไปแล้วถูกไปเลยแล้วทีนี้ทาไปนานๆมันเจริญปัญญาีปเยอะมันมันก็เสื่อมไปนอะไรนะมันก็หายไปเลย หายไปไปนานเลยแล้วก็เราก็มาฟังผมก็มาฟังหลวงพ่อหน่อยว่ามันเป็นอะไรเราก็มาดูว่าเออมันเหมือนกับว่ามันรู้อยู่ตรงหน้าหน้าที่เหมือนหลวงพ่อว่าอืมมันมันรู้รู้ออกนอกแล้วก็เพราะว่าเราเราขาดสมถะ ก, ก็ก็เลยทําสมถะเพิ่มเข้าไปแล้วแล้วก็เหมือนเมื่อคืนก็ตั้งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมก็เห็นว่า มือมันไม่ใช่เราอืมก็ก็อยากทมเพราะว่าทําอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกสินะเขาทาบ่อยๆทําถูกแล้วแลมีอะไรต้องเพิ่เติมไหมครับคือตอนนี้จิตผิดปกติเข้าใจไหมเป็นล็อกอยู่เตือนเต้นเป็นล็อปล่อยเลยนะปล่อยให้มันทํางานตือนเต้นก็แค่ดูมันะจิตตือนเต้นแล้วรู้ว่ามันเป็นเต้น จิตนีไปคิดเพราะว่ามันนีไปคิดมันหนีไปคิดดูออกไหมไม่คิดเอนครับนะคอยรู้ทันนะไหลอปไหล ไ, ไหม่ไไ ค, ไไคิดนะจิตไหลไม่คิดเนี่ยเราก็รู้ทันก็รู้สึกสบายๆดูร่างกายเป็นฐานไว้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวดูกายเคลื่อนไหวไปเลยชั่วใจมันไหวตัวไปนะไม่จะเห็นเอง ถูกนะแต่ถูกสมถารแต่ไปนี้นะอย่าไปบังคับให้มันนิ่งนะออกมากระทบพรมณ์ไปให้ตามองเห็นหูได้ยินเสียงอะไรเนะี่ยอย่าไปตรึงจิตให้นิ่งๆปล่อยให้มันกระทบแล้วให้เกิดปฏิกิริยามีฟีดแบ็กไปตามธรรมชาติเนมะื้อเรามีสติคอยรู้ทันถ้าไปตรึงความรู้สึกไ้แล้วจะ อยู่นิ่งอย่างนี้นะถ้าค้างอยู่เนี้ยเไปปีๆก็อยู่อย่างนั้นแหละหลวงพ่อมีวิเราทาอะไรหลวงพ่อเหรอคือว่ามีาวิธีแนะนำถนัดดูกายนะถนัดกายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเวลาดูกายไม่ไปตรึงให้จิตนิ่งก็แค่เห็นร่างกายมันหายใจร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีใจเป็นคนดู พวกที่ดู ก, กายแล้วไปไม่ไหวนะเพราะว่าไม่มีใจเป็นคนดูการดู ก, กายที่สูงถูกต้องเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสบายๆตัวนี้ตัวใจเราก็ไม่รักษาให้นิ่งนะให้รู้สึกอยู่แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันถ้าจ้องมันเป็นสมถะอีกแบบหนึ่งจิตนี้ไปคิดทราบไหมเวลาจิตนี้ไปคิดนะเี่จิตไหลไปคิดนะแล้วก็จะรู้สึกรู้สึกใจก็่ะโล่งโปร่งขึ้นมานะ แล้วก็เห็นร่างกายเป็นทำงานต่อไปใจเราเป็นคนดูสบายๆไม่ริ้งคำว่าสบายถ้าปฏิบัติถูกนะมีความสบายอยู่นะใจที่เป็นคนดูมีความสุขอยู่ชาวพูดไม่เครียนะสมัยพุทธกาลมีคนหนึ่งไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วเดินเข้าไปในวัดเดินผ่านกุฏิพระไปเยอะเลยพอพระพุทธเจ้าก็บอกอัศจรรย์รเจ้าข้า สาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริ ง, ง, เร ง, ง, เรงไม่ใช่สงบ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ร่าเริงกรดีกระดานเสงบแต่ร่าเริงถ้าเรารู้จักความเป็นพุท ธ, ธละนั้นเร้รู้จักคําว่าสงบแล้วก็ร่าเริงไม่หงอยห <c oughs> งอยง่อยใช่ไม่ได้จิตที่หงอยหงอยจิตมีกิเลส สวัสดีค่ะหลวงพ่อก็ความเหงือพ่อมานานนะคะก็ดู้ไดนะความโกรธของตัวเองอะคะ่ะ<า>ทีนี้อยากจะขอหลักหลวงพ่อว่าแบบว่าแล้วตอนที่เราจะรู้ได้ไงว่ามันพัฒนาไปถึงขั้นยังไงอะคะ่ะ <c oughs> คือว่าสมมุติมันมีความโกรธขึ้นมาเราจับได้ปุ๊บมันหายไปแต่มันเป็นจุดแต่ว่าปื๊ดมันก็ไปโกรธอีกแล้วมันอีกทีนึงมันหายไปเลยเห็นไหมว่า ทุกอย่างเป็นของชัวง่วคราวจิตที่โกรธก็ชัว่วคราวจิตที่รู้สึกเก็ชัว่วคราวจิตที่หลงหายไปก็ชัว่วคราวรู้ตอนที่มันหายไปแล้วแบบเออมันก็หายไปแล้วจริงๆแต่ว่าที่แต่ว่ า, ต, วาตรงที่ว่าโกรธไปจับได้แต่ว่ามันมันจะมีจุดๆเป็นโกรธไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วเพราะอะไรครับเหตุของความโกรธมันยังอยู่เราไม่ได้ดูเพื่อทําลายความโกรธนะ เราจะดูจะรู้เลยว่าทุกอย่างมันจะเหตุอะอย่างการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจการตรึกอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พอใจยังมีอยู่ความโกรธก็ยังอยู่เราบังคับไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เห็นเหตุคือรู้ว่าเป็นโกรดแต่ว่าเหตุตรงนั้นคืออะไรก็ไม่ทราบไม่เป็นไรนะนะนะไม่เป็นไรที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะสังเกตหรือเปล่าว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันหรือออกไหมอันเนี้ยสังเกตหรือเปล่าเอาเป็นวา่า รู้ว่าบังคับอะไรไม่ได้เลยเออนั่นแหละนะสังเกตหรือเปล่าเห็นไหมความโลภความโกรธความหลงอะไรเนะี่ยกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันสังเกตไหมอย่างความโกรธมันมาละอายไปจิตเป็นคนดูอยู่คนละอันกันการที่เราเห็นมันเป็นคนละอันกันนะเนี่ยนี่ว่าเราแยกขันได้ อย่างเราเห็นร่างกายมันเป็นอันหนึ่งใจเราเป็นคนดูอยู่อีกอันหนึ่งก็แยกรูปนามออกแากกันแล้วตัวนมามธรรมทั้งหลายตัวความรู้สึกทั้งหลายนะความสุขความทุกข์กับจิตนี่ก็คนระอันกันอย่างเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความทุกข์หายไปนนะจิตจะเป็นคนดูความสุขความทุกกับจิตมึง น, นี้มีรถไฟด้วย <c oughs> <c oughs> มันเป็นคนรนกัน หัดดูเรื่อยๆจนเห็นขันแต่ละขันนะเป็นคนละอันกันนะแล้วแต่ละอันแต่ละอันจะไม่ใช่ตัวเราตัวนี้สําคัญนะคือถ้าเราแยกธาตุแยกขันไม่เป็นเราก็รู้สึกมีตัวเราอยู่ก้อนหนึ่งเป็นตัวเราอยู่แค่เนี้ยแต่ถ้าแยกเป็นอายะนูร่างกายก็ส่วนร่างกายความสุขทุกส่วนความสุขทุกขุสรส่วนขุสรและขุสรจิตส่วนจิตเป็นคนดู ถ้าแยางออกจากกันแล้วจะไม่มีตัวเราตรงไหนเลยที่ฝืก อ, อยู่ใช้ได้แล้วล่าแต่พูดไม่เป็นเท่านั้นแหละขอบคุณค่ะร้อสี่สิหกสีส้มหนึ่งห้าสามนะคะฮะ เดี๋ยวนพ่อปลดเฟอร์นิเจอร์ยชักหลอนละอือคุณโยมให้เปิดุดจารศึกษาพิจาราแต่ว่วที่อจงไม่อยากให้เอ่ยชื่อเขาเพราะไม่งั้นหลวงพ่อวิจารณ์ไม่ได้แล้วมันไม่เสียมารยาเือนคือเขาาแบ่งเป็นสองส่วนอันที่น่ก็คืออาณาบาลใช่นะอที่สองก็คือเวทนาเวทนาของร่างกายทีนี้ บอก่าทุกสิ่งทุกอย่างเวท น, นาถ้าสมมติว่าถ้ามันเกิดที่จิตใจเนี่ยบางทีแบบว่าสังขารเก่าถุดขึ้นมาเนีมันก็จะมาปรากฏที่ร่างกายแล้วถ้าสมมติเราทําใจให้มันเป็นกลางมันก็เป็นการกำํำจัดกิเลสหรือสังขารอะไรทีนี้มันก็คล้ายๆกับหลวงพ่อใช่ไหมคะที่ว่ามันแค่หลักห ล, ล, ลักที่พุทธเจ้าสอนนั่นแหละคทําทไมก็ต้องไปทําอานาปนานสติก่อนเพราะกายานุปัสนาเวทนานุปัสนา เหมาะ ก, กับสมถะญาณิกเหมาะ ก, กัคนทำสมาธิถ้าไม่ทำสมาธิก่อนไปดูเวทนาก็สติแตกเลยเจ็บทนไม่ไหวนึกว่ารถไฟวิ่งเข้ามาเพราะนัทำสมาธิก่อนเลยนะแต่ต้องทำให้เป็นทำเพื่อฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้คลิสรับอยู่เท่านี้เองไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อให้จิตนิ่ง แต่ทําสมาธิจนจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูพอจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูได้นั้นดูลงในกายในเวทนาจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนกายเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาจิตก็อยู่ส่วนจิตถ้าฝึก อ, อย่างนี้ได้ก็ไปต่อได้แต่ถ้าไปทําจิตให้นิ่งแล้วไปทนดูเวทนาลุ้นว่าเมื่อไหร่เวทนาจะหายอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแนละ้ว อยู่ตลอดอะละนะมันไม่ไยุดต่ถ่วตอมันอะไรนะมันไม่หยุดคะมันยังตลอด <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> เขาต้องการให้เห็นอย่างนั้นนะเพามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้แต่ที่เราไปดูเวทนาเนี่ยเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะบังคับเวทนานได้อันนี้ตั้งเป้าไว้ผิดนะเราดูเพื่อให้เห็นว่าร่างกา ย, า ย, ก, นนายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าดูแล้วเข้ามาตรงนี้นะมันก็ไปหลักเดียวกันหมดเลยคือเห็ุขันทั้งหลายไม่เชี่ยเป็นทูกเป็นอนัตตาเีแต่เอาเวทนาเป็นตัวหลักนี่ก็จะเวทนากา ก, ากายเป็นตัวหลักได้จิตต้องมีสมาธิมากพอเราั้นเขาทําอานาปานสติก่อนก็ถูกของเขาเลยแต่ถ้าดูจิตเป็นหลักนะอย่าไปเริ่มจากสมาธิถ้าดูจิตเป็นหลักเนะี่ยใช้สมาธิที่ไม่มากถ้าใช้สมาธิมากทําสมาธิลึกลงไปเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างๆไป แต่ว่าถ้าใช้จิตใจอย่างพวกเราธรรมดาเนี้ยตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนมันถึงจะเห็นไตรลักงั้นดูกายดูเวทนาเนี้ยหมวดหนึ่งเราเรียกว่าเหมาะกับสมถียานิชธรรมชาญก่อนจิตต า, านุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะเหมาะกับวิปัสสนาญาณี้เดินปัญญาไปก่อนแล้ววิปัสสนาเแล้วสมาธิเกิดทีหลังนะมันมีหลายทางเนี้ยพระเจ้าท่านถึงเป็นธรรมราชา เป็นผู้จำแนกแจกคำธรรมะที่ท่านแจกแจงไว้นั้นหลากหลายมากเพราะจริตนิสัยของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะมันไม่มีธรรมะอะไรที่ว่าดีที่สุดหรอกมันมีธรรมะที่อันไหนเหมาะกับเราถ้าสิ่งที่เหมาะกับเราอาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนเราเพราะงั้นอย่ า, าพิจักเทียดธรรมะที่เราทําให้กับเพื่อนเรานะเรากลายเป็ว่ามันเหมาะกับเราแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เหมาะกับเขาทางใครทางมันแต่ว่าต้องอยู่ในหลักที่พระเจ้าสอน แต่ต้องตั้งเป้าให้ถูกว่าไม่ใช่ทำเพื่อเอาชนะเวทนาแต่ทำเพื่อให้เห็นว่าขันทั้งหลายเนะ่เป็นไตรลักษณ์ในนี้ถึงจะปล่อยวางถ้าทำแล้วเอาชนะเวทนานจะกลาดเป็นกูเก่งทิมามีหลายคนนั่งสมาธิ้วนะตั้งใจว่าจะนั่งโต้รุ่ปวดยังไงก็ทนนั่งนะนั่งยันสว่างได้จริงๆเลยสุดท้ายกูเก่งแทนที่จะเห็นว่ากูไม่มี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 ตื่นเต้นไหมร้อยห้าสิบสามตังซีดีไม่ได้ก็อันนี้ดีกว่านะรู้สึกว่าสั้นลงก็ คขาู้สึกว่าติดเพ่งหน่อยๆนะคะอืมถูกต้องตัวที่เราเพ่งนาะมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยหลงอย่าไปเพ่งมันสิรู้อย่างที่เขาเป็นนะการดูจิต ด, ดูใจเนี่ยถ้าเรากลัวว่าจะเผลอเราพยายามจ้องไม่ให้คลาดสายตาจะกลายเป็นเพง่งให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่างนี้นถือจะใช้ได้ก็ไปดักดูรอดูเมื่อไรจะมีความรู้สึกกลายเป็นเพง่ง รอยเธอนี้ซะเราจะร้ายกว่าเก่ามทนี้ค่ะดีแล้วล่ะที่รู้ว่าเพิ่งนะฉลาดถ้าติดเพ้งเราไม่รู้นะโอ้ตายเลยแกยากที่สุดสามสิบเก้าับสิค่ะสมิบ้าี ใครใจลอยบ้างเห็นหมเรามองเขานะเราลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นใจลอยขาดสติแล้วมาสักกาแล้วมาสักการเข้าใจก็ตอนนี้ต็มเต้นมากมเข้าใจว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้น จิตก็หลุดจากความคิดเองช่วงหลังนี่มันจะหลุดบ่อยขึ้นอืมยังจะเห็นเหมือนกับมันเป็นคลื่นไหลไปแล้วก็ไหลกลับมามแล้วก็แต่ยังไม่เข้าใจคำว่าจิตถึนฐานอืมจิตมันยังไม่ถึงฐานไง ะ, ะจิตที่ถึงฐางนมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไว้ไม่ได้ไปตรึกความรู้สึกให้นิ่ง ตอนนี้ก็ยังติดนิ่งอยู่แล้วจ้ะสังเกตแปลว่าจิตของเราขนาดนี้ก็จิตสมัยตอนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยไม่เหมือนกันสมัยตอนเด็เดกๆที่ยังภาวนาไม่เป็นนะกับจิตใจในขนาดเนี้ยไม่เท่ากันตอนนี้นิ่งแบบสมัยโน้นจิตที่ดีที่สุดนะก็คือจิตสมัยที่เรายังไม่เอาไหนเลยเด็กๆเน่ะ เด็กเวลากระทบอารมณ์อะไรเห็นไหมเขากระทบอารมณ์แล้วเขาจะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติเราใช้จิตอย่างนั้นนะเราต่างกับเด็กตัวที่เด็กอย่างมันเห็นของอย่างนี้มันอยากได้มันก็อยากได้จริงๆนะของเราต่างกับเด็กตัวที่พอมันอยากได้เราเรารู้ทันเราจเห็นว่าจิตนันเปลี่ยนไปเราไม่ได้ฝึกจิตจนกระทั่งผิดมนต์มนาว่าต้องไม่มีความอยากต้องนิ่งตลอดต้องดีตลอด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 เก่งใจทั้งเลยไม่ถูกเหรอคือตัวนี้มันตัวเนี้ยมันเป็นพููเพ่งมันนี่ยไม่ใช่ผู้รู้สัง<อ>เกตไหมมันไม่เบิกบานมันมันซื่อทืๆอยู่ถ้ามันทื่อๆ อ, อ, อยู่ไม่ใช่นะแล้วขณะเนี้ยจิตบิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อไห ม, อ, มอยู่เนี่ยจิตออกนอกไม่ถึงฐานจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อ ถ้าเรารู้ทันว่าจิตออกนอกนะมันจะเข้าฐานเองจิตนี้ไปคิดมีไหมเห็นะไหมจิตนี้ไปคิดเนี่ยจิตไม่เข้าฐานห น, นี้ไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้รู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วการที่เห็นว่าจิตอยากพูดทัาบไหมมันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกอ่ะนะจะดันขึ้นมาให้เรารู้ทัน เขารู้ทันก็เห็นว่าจิตที่อยากพูดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เราจเจริญปัญญาอยู่ล่ะจิตนี้ไปคิดเรื่อยอะนะเนี่ยให้รู้ทันตัวนี้นะอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะก็ตรึงไปแล้วก็อยู่อย่นี้ทั้งวันเลยนะเดี๋ยวต้องอ่อนว่านี้อนิดเนี่ยอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะ ฝึกความรู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วอย่างตอนนั่งสมาธิถ้าเกิดวันไหนนั่งได้ว่ามันจะรู้สึกเหมือนเหมือนว่ามีตัวหนึ่งเห็นตรงนี้เป็นคนแปลกแต่ว่าเอออย่างนั้นได้นะแต่ต้องระวังไม่ให้ตัวที่เป็นคนดูนั่นนิ่งนะอย่าไปรักษาตัวนี้ให้นิ่งๆมั้นะ น, นั้นคือเป็นเป็นสิ่งที่โยมทำอยู่นะคะ <c oughs> คือไปรักษาตัวที่ดูให้นิ่งนะค ะ, มะไม่ค่อยค่อยปล่อยมั้ ตัวทีเป็น<ช>เหตุไห<ว>ม ว, ว่าตอนนี้เริ่มจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วต้องอย่างนี้ถึงก็ดีนะคือตัวที่ดูนี่ไม่ใช่ตัวรู้เหรอคะรตัวที่ดูเนี่ยบางทีเป็นตัวเพ่งก็ได้<ห>ถ้ามันนิ่งผิดธรรมชาตินะั้นเป็นตัวเพ่งไม่ใช่ตัวรู้ถ้ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระมันเบามันโปร่งมันเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนี่จเป็นตัวรู้ไม่ง้เป็นตัวเพ่ง แล้วที่อาจารย์สอนว่าตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวหลงใช่เดี๋ยวก็เป็นตัวไปคิดนะถ้า<ต>เป็นนักปฏิบัติทั่วไปก็เป็นตัวเพ่งอีกคนเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงเร<อ>าดูให้เห็นว่าทุกตัวก็ไม่เทียงอเดย่าไปเกาะไว้อย่างนี้นะงั<อ>้นมันจนิ่งเกิน<อ>ปล่อยให้มันทํางานะ กลับนามัสการหลวงพ่อค่ะื อ, อ, อ, อจริงๆก็เริ่มปฏิบัติตามแนวทางขอวงพ่อได้ไม่นานก่อนหน้านี้ก็จะรู้สึกว่าทําอะไรไม่ถูกก็จะจะสวดมนต์จะชอบสวดมนต์สงบสงบหนอ่อยทำอะไรไม่ถูกทําสมถะไว้ก่อนสวดมนต์ไปพอสวดมนต์ไปแล้วจิตใจสบา ย, ยรู้ว่าจิตใจสบาย ส่วนมันไปจิตใจสงบหรือว่าจิตใจสงบแล้วเข้ามาดูจิตเป็นเหรอราพอเริ่มปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอน <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าจะชอบ <c oughs> จะชอบคิดเพราะก็ชอบแต่ว่าหาจะชอบอยากจะรู้ว่าที่ทํำนี่ถูกไหมจะชอบหาคําบตัดสินนะคะให้รู้ทันว่ามันอยากรู้รู้ทันมันเข้าไปเลยแล้วเวลาที่เวลาที่ทําทํา หมายถึงว่าพยายามจะรู้เนี่ยเราสามารถบอกนำได้ไหมว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างเงี้ยได้ค่ะแค่นั้นเพียคิดเอานะยังไม่ใช่วิปัสนาแต่เบื้องต้นจะคิดเอาก่อนก็ไม่เป็นไ ร, รใช้ได้ให้ฝึก ค, คุณเปิ้นอะไรเนี้ยชื่ออะไ ร, รชื่อเป้ล น, นะอย่าไปจ้องนิ่งๆ น, นะ รู้สึกไหมรู้คนเต้นเลยก็ได้นะเมือกี้ไม่ได้นิ่งไปต่อไปห่แล้วก็1น5แล้วก็หนึ่ี่าหน่้าั่งสี่สาม1นึ่งสส่งขอสยได้ไหม ขอให้ทุกคนค่ะครับการรำวัดสการครับหลวงพ่อมี1 5ึมีทั้งหมด5คนนะครับอะไรนะหนึ่งมีทั้งหมดห้าคนคราวนี้ให้ผู้ใหญ่ถาก่อน เพราะว่อยากจะทราบเวลาคือว่ามีใช้ ก, กันได้มาที่มาแบบออกเป็นเประแต่เวลานั่งนี่จิงจะไม่นิ่งค่ะอืมจะคิดโน้นคิดนี่แต่ก็ขางที่รก็แบบรู้ตัวสติสมาธิมาหลังเกิเรานั่งขมาี่อยู่นะเคล็ดลับของการทําสมาธินะถ้าต้องการให้จิตสงบมาจิตต้องมีความสุขนั่นเราต้องรู้จักเรื่องอารมณ์กรรามาฐาน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 ไม่ใช่ว่าเป็นนั่งหายใจไปนั่งพุโทโธเราไปบังคับจิตนะยิ่งบังคับมากจิตยิ่งเครียดจิตไม่มีความสุขจิตไม่สงบให้เคล็ดลับอยู่ที่ต้องมีความสุขถึงจะสงบบางทีก็บังคับตัวเอ ง, งเราบังคับมันยิ่งมมโมโหไม่สงบหรอกนี <c oughs> ่มันมีเคล็ดลับหน้าแต่ละอย่างอ่ ะ, อะบาใครก็คิดว่าทําไมจิตโครงสร้างหรือว่าอย่างไรนะแต่ก็รู้นะคะว่า ง่ายๆนะง่ายๆเลยนะเชน่นเราสมมติเราพุโทโธหรือเราหายใจหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธหรือหายใจนะจิตนี้ไปคิดรู้จิตนี้ไปคิดก็รู้ไม่ว่ามันแค่รู้ทันว่ามันลงไปแนะ้วพอเรารู้บ่อยๆมันจะค่อยสงบสงบค่อยเชื่องขึ้นแต่ถ้าเราเป็นโมโ ห, โมหนะไม่สงบหรอกเพราะเวลาจิตใจโมโหจิตใจไม่มีความสุขถ้าจิตใจไม่มีความสุขจิตใจจะไม่สงบอยาเคลียร์รับมันเดู่ตอนนี้แหละ แต่กว่าจะได้เคล็ดวิชาแต่ลนะอันนะโห่ฝึกกันเยอะเลยขอบคุณรับผมตอนนี้ส่วนตัวตอยากจะถามหว่าว่าถ้าจะใช้วิหารธรรมในชีวิตประจาวันเนี่ยที่บอกกับตัวเองควรจะใช้่ไหมนะเราทำงานที่ต้องคิดเดยอะนะ งั้นถ้าตอนที่เราคิดเรื่องงานเนี่ยปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเวลาที่เหลือจิตมันคิดนึกปรุงแต่งอะไรเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยจเห็นได้ง่ายใช้จิตเป็นยาเราทำคราวนีีข้อในประเด็โลูกสวยไหมต้วยตอนนี้เนี่ยไม่กลับว่าต้องมีคำภาษาไทยภาษาอิติมว่วกค่อนข้างเยอะก็ย ว่าอ้เนี่ยควรจะสอนเาองสอนอะไรสอนคำศัพนะาก็บอกว่ามอนะเรารู้ว่าโมโกรคือเรา้อะไรวแล้ว่าสอนภาษาฝรั่งไปเลยศาสนาพูดไม่เกี่ยวกับภาษาคือเราอย่าไป ประเพณีอะไรนั่นนะกับตัวธรรมะไม่ได้โคนละานกันภาษาวัฒนธรรมกับตัวธรรมะโคนละานกันอย่างถ้าเราเด็กมันภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะเอาภาษาที่เขารู้เรื่องถ้าพอเขาเรียนรู้แล้วนะจิตใจเขาเขาคัตนามเหมือนกันเลยไม่ได้เกี่ยวกับภาษา เปิดไหมหนทีเปิดถ้าจีตออนอกบ้างสิตนี้ไ่อยู่ที่คนน้อนหมดเลยฮัลโหกับนักกับนมาชการหรวงพ่อค่ะคนี่เขาได้กล่าบสามนอกถูกต้องตามวัฒนธรรมว่างไงก็ได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านเสียงธรรมะแล้วก็ รู้สึกว่าตั้งแต่มีสิ่งเหล่า น, นี้เข้ามาในชีวิต้ mm hmm. จิตใจก็สบายขึน้น mm hmm. แล้วก็การไปทำทุกอย่างในชีวิตประจาวันก็มีคุณภาพยมก็วันวันก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าใช้การทำงานเข้ามาจิตใจหยุดแา่ทางาน mm hmm. แล้วก็เมื่อเวลาเจ็บเมื่อเวลาเหนื่อย ก็จะไม่หัางไปจากอะไรเอก็จะมาฟังธรรมะแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะในเวลาทั้งวันเนี่ยก็แต่แล้วก็มานั่งบูมเวลาก่อนเช้าก่อนนอนก็จะทํำสมาธิสวดบนแล้วก็ต้นพวกนี้ค่ะหลวงพก็เรื่องหนาใจแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์แล้วก็มีความสุขมากขึ้นมากกว่าที่จะไม่มีความรู้ใช ทำได้ก็ดีแนละ้วเรื่องอะไรยังไม่ทำเนาะ <c oughs> <c oughs> คือถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกมนาะแล้วลงมือทำนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างรวดเร็วนะใช้เวลาไม่เยอะหรอกแล้วเราจะรู้เลยว่าธรรมะมีค่ามากขนาดไหนอย่างคนทั่วๆไปเนะี่ยเวลาทุกข์ก็ทุกข์นานทุกข์หนักนะถ้าเรามีธรรมะเนี่ยทุกข์ก็สั้นๆทุกข์ไม่หนักเท่าไหร่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป มีเวลาให้เราหายใจเยอะเลยรู้สึกตัวอย่างมาคนเป็นมะเร็งป่วยเจ็บปวดยอะไรนี่นะถ้าดูให้ดีมันไม่ได้ปวดตลอดเวลามันมีเวลาที่ไม่ป่วย ด, ด้วยแต่ว่าพอไปเมาว่าฉันปว่วยนั่นเป็นมะเร็งนะป่วยตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยก็ทุกข์เยอะถ้าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็ น, น, นนะคณะคณะก็ช่วงนี้มันร่างกายมันป่วยใจเราเป็คนดูช่วงนี้ร่างกายหายป่วยใจเราแล้วเป็นคนดูก็มีเวลาที่มีความสุขอยู่ได้ ฝึกใครใจลอยบ้าง <c oughs> นี่ด้วยไม่ยอมรับ่าไงผมก็มาห้าคนอะไรนะลูาตายายปกตินะ คนที่ไปบ้านหลวงพ่อเนี่ยไปมัเป็นครอบครัวสวนมากทีแลไปคนเดียวกันแล้วความชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนคนรอบๆตัวมันสนใจมากันทั้งบ้านะปกติตไดีามนที่ทตนุดีใช่ได้เสีเป็นพรารู้เพตื่น ไม่ใช่ปัญหานะตัวนาเต็นรู้ไปแต่ว่าสังเกตไหมว่าใจมือนเป็นคนดูใจขนาดนี้ที่เราฝึกมาได้ขนาดนี้นะจิตเหมือนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วขันมันแยกออกไปหมดแล้วถ้าใจนี้ดูไปเลขันแต่ละคันไม่มีตัวเราไม่ต้องคิดหรอกมันจะเห็นเองที่ทำถูกแล้วนะไปสอนทางครอบครัวให้ได้นะ่นุณบอกให้สอนเองให้ ทำถูกแล้วนะพ่อมาแล้วหยอกกันซะด้วยทุกวันก็ฟังฟังตลอดอ่านอ่าพระสวดมนต์น้า ส, สมาิแ่ ก็ฝึกมาฝึกมันถูกแล้วนแต่ว่าฝึกให้บ่อยๆคอยดูไปเรื่อยไม่รีบร้อนว่าจะบรรลุเมื่อไหร่ทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆที่ทำดีแดีเขาคุณดีมากนะหองพ่อย้งไม่ถึงลเลย่าอเมริกามีคนภาวนาแบบนี้นใช่ได้ พยายาม <Okay. S 1> ดูร่างกายเยอะๆด้วยนะยเอออย่าทิ้งกายนะเราก็เป็นคนรักกายอยู่นั้นร่างกายเราหายใจเรารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกเจะเห็นจิตฉัก <c oughs> อ, อ, อย่าไปทิ้งร่างกายรู้สึกไว้ในร่างกายเลยะไ่้เห็นร่างกายไปยักหน้าใจเป็นคนดูไปไนะ <c oughs> ขอบคุณนะ ไปเพ่งไว้นะหล่อชมเลยไปเพ่งไว้เนดะี๋วมันแน่นหลวงพ่อชมคนพังมาเยอะแล้วเบอร์ค่ะหาเราก็เบอร์ี่องเย่ะนี่ห ใ, ใ, ใจปล่อยนะจะคลายตัวออกนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอย่มา ลกนี้วางเล่าจากสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนหรือออกไหมตัวเราไม่มีหรือออกไหมเห็นไหมกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราทำถูกแล้วทำเป็นอ่นะานมาสการขคก็ดีใจคันวี่ว่าจะไม่ได้มาอภิบัติมาได้สองปีแล้วก็เห็นกิเลส มีพงซ่านกับโทรศัพท์เป็นพื้นใช้ได้ดีแล้วก็ทำสมาธไม่ได้แค่สวดนโมสามจบก็ยังไม่ค่อยจบแล้วให้จบก็แล้วกันมันืองค่ะถึงขนาดนโมสามจบมันฟุ้งมากก็เลยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยผ่านไปเลยก็สวดมนต์บ้างแต่อย่าหวังว่าจะสงบสวดมนต์ไปแล้วค่อยดู จิตฟุ้งไปเรารู้ทันสวดต่อจิตฟุ้งไปเรารู้ทันไม่ต้องนับจบก็ได้ <Okay. S 1> นะจิตจะได้มีสมาธิเพิ่มขึ้นถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตมันดีไป น, นีที่คิดส่วนใหญ่แล้ก็มันนโมตัสสะฆะ ข, ขวะตรง น, นี้ไปละวก็รู้สึกมาสวดต่อสัมมาสัมพุทธัสสะหนีไปอีกแรู้ทันนะฝึกบ่อยๆวันหนึงสวดหลายๆจบก็ได้สวดเล่นๆสวดแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีจะได้สมาธิขึ้นมา คิดว่าเป็นพวกฟุ้งซ่านดูจริงหรือเปล่าคะใช่กรรมฐานที่เหมาะกับคนฟุ้งซ่านนะก็ป็นหายใจไปรู้สึกไปหรือสวดมนต์ไปรู้สึกไปก็ได้ก็ ม, มีให้บ้านให้จิตอยู่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับสวดมนต์ก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วจิตฟุง้งซ่านเรารู้ตันเราจิตจะค่อยสงบขึ้นเอง การพ่อค่ะเอ่อเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักหลวงพ่อแล้วก็เพื่อน ค, คนแนะน้ำเป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อรู้จั ก, ก <c oughs> จคนแนะนำให้ให้ใ ห, ให้ให้ฟังซีดีหลวงพ่อใชะคะก็ปฏิบัติทำตามท่านสอนใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยกำลังจะล้มตัวนอ น, นอก็แยกแยกใจกับการของอย่างนั้นสิเก่งเกเสร็จแล้วก็พอทำทำอยู่สักพักก็พักจะคิดมากแล้วว่า ไอ้ใจรักนี่คืออะไรทําไม่ต้<ร>องคิดมากมยากนะนาน <c oughs> สังเกตไม่ตัวที่นอนอยู่ใจเราเป็นคนดูตัวที่นอนอยู่มันไม่ได้บอกเลยนะว่ามันเป็นตัวเรานั่นแหละมันสแสดงใจรักแล้วสแสดงความไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วแล้วพักนี้ก็ไม่ค่อยได้ทํามากเพราะว่างานยุ่งมาก <c oughs> แต่ตอนนี้งานค่อยอยิ่งชั่วลงแล้วก็แต่ว่าเวลา คิดอะไรมากๆคิดเน่องงานมากก็กลับมาเหมือนกับว่าสติเราเนี่ยเตือนเราให้กลับมาเองออแบบก็เหมือนกับไม่เคยคิดว่าจะทําได้แต่ว่าพอนั่ง น, นั่ง น, นั่ง น, นัีนน้ก็เสกเตือนว่าเราลุไปแล้วนะนนนนไม่ทราบว่าจะทําถูกไหมคือ ค, คิดว่าจะต้องมีอะไรต่อไหมค ะ, ะฟังซีดีหลวงพ่อไว้เวลามันหลีไปแล้วมันจะกลับมาเร็วะ เดี๋ยวทำต่อดได้ไม่ยากแล้วบ่ะแต่แต่มีความสุขขึ้นนะคือแบบว่าทุกน้อยลงอืมแล้วแบบว่าอยู่ๆก็คิดว่าเออเราก็มีความสุขขึ้นนะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเ ป, เป็นอย่างนี้คือคนในโลกเนี่ยนะหาความสุขจากข้างนอกนะกพวกเราได้ธรรมะของพระเจ้าเรารู้สึก ข, ขึ้นมามีความสุขจากข้างในออกมาจิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานโลกนี้ทุกแทบตายเลยปัญหาในชีวิตเยอะแยะเลย แต่เราอยู่ประมันได้อย่างมีความสุขคือเราเราคิดว่าเราสู้กับโรคได้ทุกแบบมาแบบไหนรับได้แบบทุกอย่างออแต่แตอย่าประมาทนะไ ม, <อ>ไม่ไม่ประมาทก็พยายามที่จะจะทำต่อบางทีก็ลืมตัวไปอย่างนี้แต่ก็พยายามพอเราลืมตัวไปกจิ 10, สติจะกลับมาให้เราเห็นเลยว่าเราเลืมตัวไปแล้วโ อ, โอเคไม่ไม่ถึงขนาะเด็กโคม่ากระ ใช้ได้นะหลงสติมันมาได้เองแล้วล่ะมีโอ้แต่วัดนี้ดีนะมีรถไฟให้ดูด้วยวัดเราก็ อ, อยู่ในเขาไม่มีรถไฟของของคุณนะที่ต้องระวั ง, งการประคองตัวรู้นะอย่าไปประคองอย่ารักษาปล่อยให้มันเกินดับตัวรู้ก็ต้องเกินดับ งั้นม็นจะติดอยู่นั้นมันไปต่อไม่ได้ตอนนี้ดูไปไม่มีตัวเราตรงไหนตัวเรามาจากความคิดทั้งนั้นเ่ย หลวพอฟังเหรพวกกาไราพเนลม่อกอไม่ต้องถามอะไรการปฏิบัติไม่ต้องการถามเยอะเลยรหรอกคอยรู้ทันใจของเราไว้ก็แล้วกันใ่เรามีความสุขเรารู้ใจเราตื่นเต้นเรรู้ใจดีใจร้ายคอรู้ไปเรื่อยเรารู้ไปเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วนันชั่วคราวไปหมดเลย ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปเวลาเราเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะจะดีหรือจะร้ายเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตมันรู้ความจริงสล่วงหน้าแล้วว่าทุกอย่างมันชั่วคราวฝึก <c oughs> ไปได้ไปทำพ่ออย่าไปติดตัวรู้นะ <c oughs> อย่าอย่าไปประคองตัวรู้เน <c oughs> ้่ยวไปถึง <c oughs> แข่งแข่งแบบรึงไป ตัวนี้นมันไปกึืนไว้ปล่อยนมาสการหลวงพ่อน้ำมาสการหลวงพ่อค่ะ อ, อยากจะถามอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติหนูรู้สึกว่าหนูก็ติดนิ่งเหมือนกันะไม่มากอกะติดนิ่นิดหน่อยหน่อยพองาม <laughs> ใครดูใจนะถ้าใจมันนิ่งก็เห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดู ร่างกายยังไงมันก็ไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวมันก็าหายใจออกหายใจเข้าเราเป็นคนดูไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่ อ, อไหร่ใจเรานิ่งไม่มีอะไรให้ดูมาดูกายไหมหนูรู้สึกว่าพี่เขาบอกให้พิจารณาหนูพิจารณาไม่ได้ไม่ต้องคิดอาหรอกนะาำว่าพิจารณาเนี้ยมันมีคําภาษาบาลีคำว่าวิจาร์วิจารณ์ไม่ได้แปลว่าคิดวิต ก, กับวิจารณ์นีิตกว็ตกว่าตรึกนึกคิดเอา วิจารนะเป็นการที่ใจมันคล้องเคลียร์วิตตกเช่นกระสุนว่าเรารู้ลมหายใจอยู่จิตเราจับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วก็มีวิตกจิตใจเราเคล้องเคลียร์อยู่กับลมหายใจไม่หนีไปจากลมหายใจเรียกว่าวิจารณส่วนการคิดพิจารณานั้นเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐาอย่างบางท่านท่านภาวนาพุโทโธพุโทโธหรือรู้ลมหายใจแล้วจิตนิ่งเฉยเลย อันนี้ก็ให้มาคิดพิจารณาร่างกายนะคิดเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยแค่นั้นเองนี่ไม่ใช่พิปั ส, สนาแท้นะพิปั ส, สนานั้นเลยคิดไปเคยคเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยปะ่ะเคยมีไหมหลวงพ่อเขาเรียนจากหลวงพ่อพุทธนะลูกสิษหลวงพ่อพุทธนั่นแหละหลวงพ่อพุทธเนี่ยเป็นคนสั่งให้หลวงพ่อออกมาเผยแพรก หลวว่าพูดบอกว่าสมถนะเริ่มเมื่อหมดความจงใจมีปรัชนาเริ่มเมื่อหมดความคิดนั่นจัดใจที่เรายังคิดพิจารณาอยู่ยังไม่ขึ้นมีปััชนาแท้แต่บางคนต้องคิดพิจารณาเพราเวลาจิตทำความสงบแล้วมันไปนติดนิ่งติดเฉยอยู่ก็พยายามมาคิดเรื่องร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอนสุภะอะไรเงี้ยเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทํางานให้มันหัดดูใจรักใน ต, ตรงที่มันดูใจรักของมันได้เองแล้วนะถึงจะเป็นมีปรัชนา เพราันาทีก็คิดนำเอาใจลอยรู้จักไหมใจลอยใจลอยคือใจหนีไปคิดเมื่อตอนที่มันหนีไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมนะอันนี้เรียกว่าใจลอยใจลอยอีกหรือยังฉะั้นหนีไปคิดอีกเลยขอาคุณนะดูจิตตรงๆยังไม่ได้เราดู ก, กายไปด้วยไปดูจิตตรงๆดูไม่ทนันมันหนีไปคิดซะก่อน ค่ะ่ส่งกับ้านแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ส่งคือรู้สึกว่าชีวิตโนมีความสุมากแล้วก็ยตัวเองก็เป็นคนที่้าโลกแต่โกรธอ่ะก็น้อยลงะ เราอย่าไปคิดภาวนาเพื่อไปปัดมันนะเราคิดภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้กนะันตั้งเป้าการปฏิบัติให้ตรงก่อนไม่ได้เอาชนะกิเลสหรอกแต่ให้เห็นเลยว่ากิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสหมดเหตุกิเลสก็ดับเราบังคับมันไม่ได้นะสิ่งทั้งหลายาัน แ, แต่อยู่นอกอำนาจการ บ, าบังนคะับถ้าตั้งเป้าให้ถูกการภนาง่ายถ้าคิดจะเอาชนะกิเลสนะยากที่สุดเลย ก็กิเลสเนี่ยไม่เห็นมีใครชนะมันนะแต่ถ้ารู้ทันนกิเลนะกเสก็ไม่มีเหตุให้เกิดกิเลสจะได้ตอนทีเปลือกกิเลสไม่มีเหตุให้เกิดกิเลสมันองหายไปไม่มีไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เป็นเพราะว่ามันไม่มีเหนะเตุใช่เหตุของมันยังอยู่นะเราไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ขาดสติด้วย สติเองก็ไม่เที่ยงสติเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่ว่าพอเราฝึกจนจิตชานาญที่จะมีสตินะสติมันจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นชานาญเต็มที่นะมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยบังนีอโยมรู้สึกว่าโยมเห็นกายกับจิตมันไปสลับไปสลับใช่ได้ที่เกี่ยวกักายเขาไม่ใช่เราจิตเชื่อทางานได้เองะ คื่ฝือยู่ถูกเราละขันมันแยกออกไปล้วเอาขาตรงเป็นพวกที่อะไรคนะอือเราชจะให้เขาช่วยเลยอว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่มีปัญหาต้องทุบเพลนะกิเลสไดเกิด เ, เ, เรารู้ทั น, ท น, ทนเอาเรื่อยๆก็ถูกต้องแล้วนะไม่ให้ต้องทุบหรอกไม่ต้องทุบ <c oughs> ไม่มากอ่ะนะจิเลตพื้นๆธรรมดาธรรมดาไม่โดดเด่น จสลเลยก็ได้จสนั่นาการข้บไุัมภ์ Welcome to America นะครับบุ๋มกอ จิตผู้รู้แล้วมันหายโอ้ํายังไดง้ อ, อย่าไปจงใจดูตัวจิตผู้รู้เพราะถ้าดูเมื่อไหร่มันจะหายไปไอ้นคนมันจะกลายเป็นผู้รู้ซ้อนไปเรื่อยๆตัวที่เป็นผู้รู้อยู่พอเราจงใจไปดูมันจะกลายเป็นตัวถูกรู้ แค่มีตัวผู้รู้เป็นคราวๆพอมีตัวผู้รู้ขึ้นมาก็จะเห็นนะ่ร่างกายก็ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราความสุขถูกรู้ไม่ใช่เราตัวผู้รู้เนี่ยเร า, เาใสไว้ทำงานเป็นชั่วคราวนะเราไม่รักษาไว้ตลอดเวลา อะไรนะกำลังเดินจงกรมค่ะอพอเริ่มเริ่มทางเดินจงกรมจิตมันก็คิดวิตกกังวลเยอะแยะนอนนี่โนอนนี่เสแล้วจิตตัวหนึ่งก็หัดไปเห็นอืตัวที่กำลังคิดเนี่ยอยู่ที่จุดเอืเป็นตัวที่เห็นเนี่ยอยู่ที่จุดสี่บอกอ้าวมัวแต่คิดอยู่ได้เขาเดินไปดูแล้้วจิตเนี่ย นี้ก็หันไปเห็นกายที่กำลังเดินอยู่น้นเห็นกายกำลงเดินเดินเดินแต่ไม่ได้เป็นกายค่ะมันเป็นควันสีเป็นควันสีขาวจางๆลอยลอยเสร็จแล้วจิตนั้นก็กล่อลงเด็นตัวที่ตัวเองแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วเรา คือในในใจเนี่รู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีแต่ตัวจิตเนี่ยมันก็พูดออกมาเองว่าอ้าวถ้าเราไม่มีนี่เสร็จแล้วตวจิเนี่ยก็วิงไปที่การครอบครองรอยเข้าไปมันมันยังห่วงอยู่เนะเาะถ้าเกิดปรากฏการอะไรขึ้นมานะไม่สําคัญนะปรากฏการอะไรเกิดขึ้นมาเราคอยรู้สึกตัวคอยดูจิตใจของเราเป็นไง นั้นถ้ามันแยกออกไปมันเดินเป็นนดแล้วใจไม่เกิดห่วงขึ้นมาจะเอาคืนละ่าเี้ยรู้ทันใจที่ห่วงขึ้นมาเลยคอยรู้ทันจิตไว้ รู้สึกตัวไปนะอย่าไปทิ้งบอสอเพราะนั่นจิตมันเข้าสมาธิไปอ่าน่ามันหนีเข้าสมาธิไปแสดงว่าคนเนี้ยพูดไม่น่าฟังจิตมันเบื่อเต็มทีแล้วมันหลบเข้าสมาธิไปเลยใช่ไหมนั่นแหละพยายมพยายามรู้สึกตัวนะกลับมาที่ร่างกายบ่อยๆ ถ้าอยู่ๆจิตหนีไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ดีหรอกมันเป็นการหนีโลกไปชั่วคราวมันก็ถอยยังดีนะบางคนมันไปแล้วไปเลยนะมันไม่ยอมถอยออกมายัางดีที่มันกลับมาแล้วตอ ได้มีจิตตัวหนึ่งทำงานนะจิตตัวหนึ่งรู้จะต่อตอดไปเรื่อยมันจะรู้ตามหลังไปติดๆนะอย่างตัวนี้กลนตัวนี้รู้เอ๊ะมีตัวนี้รู้วไห้ตัวนี้รู้อยู่อะไรนะจะซ้อนๆ น, นะจิตตัวจะเกิดดับไปเรืเ่อยไอ้อย่างเนี้ยดีไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ๆจิตว่างสว่างจ้าไปเลยนะจิตมันหนีเข้าสมาธิไปพยายามรู้สึกตัวไม่ให้มันหนีไปบางคนไปเป็นหนีต้ขับรถนะ เจ้าไปเลยไม่รู้อยู่ไหนเลยเรื่องยกยกไม่อย่างนี้ยกหม่อาว่ามาค่ะกำลังทำงานอยู่ใกล้เที่ยงแล้ะเหนื่อยมากก็จิตกายนี่ก็เดินเดินเดินไปจิตก็รู้แบบลอยลยเดินเดินเดินก็รู้ลอยลอยลพอไปถึงขั้นสูงมันรู้ขึ้นมาปุ๊บ มันก็บีมันเคนอ่ะมันมันเค้นมากเลยว่าไอ้กานี่มันก็หืจะตายอยู่แล้วไอ้จิตนียมันต้องรู้อีกนี่เหความเคนอยู่้ก็หความืมมแต่สรือมันทงานอยู่ด้วยกันนะทางานใจเราเป็นคนดูะใจเราติดอารมณ์นะใจมันมีความหงุดหงิดไม่พอใจมีโทสะแทรกแล้ว ให้เรารู้ทันไปใจได้เป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาขอบคุณค่ะอย่าให้ติดสมาธินะอย่าหนีไปหาสว่างสว่างไม่ดี ใ, ใจลอยป่ะนีไปหมดเลยเนาะไม่ค่อยรู้ทันนะเป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าเมื่อไหรเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจก็ลืมไม่ได้เดินปัญญ า, ร า, าครับเพราะง่ายเจสผูชายถามว่างงระวังสมถะกับวิพัสนาเพราะว่าตอนที่ทำสมถะก็จะมีอารมณ์กรรมฐานนันดึงแล้วก็พอจิตไปคิดก็จะกลับมาที่อารมณ์ แล้วถ้าจะกลับมาที่อารมณ์ก็ต้องดูว่าไปที่อื่นอยู่แล้วอืก็เลยงงว่ า, นนาเวลาที่จิตเดินวิปัสสนาเนี่ยไม่เดินนิปัสสนาอย่างเดียวหรอกจิตจะพลิกเป็นสมถะเปนช่วงๆนะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าจิตหีไปคิดรู้ว่านีไปคิดอันนี้มีสติรู้ทันลนะนะถ้าจะเป็นวิปัสสนานจะเห็นเลยว่าจิตมันหนีไปคิดได้เองมันไม่ใช่ตัวเราคิดหรอกนะอ่ัเนี้เป็นวิปัสสนา แต่พอรู้ทันพัว่ามันมีวิคิดแล้วมันจะกลับมาตั้งทีม่มาเป็นสมถะเป็นอ่างนั้นทุกคนเลยงั้นเวลาที่จิตทำอภิปสนาเนี่ยจะมีสมถะเป็นแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆหลวงพเคยงงนะหลวงพ่อทำสมถวนั่ ง, งรู้ลมหายใจอะไรเงี้ยถ้าเข้าสมาธิมีวันหนึ่งไปส่งันบ้านหลวงปูดุลย์เนบอกว่าจิตเข้าสมาธิพ่เชียงท่านเนาะ ให้ผมไม่ได้ทําสมาธินะงไม่ได้ไปรู้ลมหายใจเลยดูจิตอยู่ดีๆเนี่ยให้ว่าจิตเข้าสมาธิหนะลวงปู่เลยบอกว่าขณะที่เราดูจิตเนี่ยมันจะให้สมาธิอัตโนมัติเพราะเวลาเดินปัญญาเนี่ยจิตพอตรงที่เห็นใจรักนะจะเป็นวิปัสนาตรงที่ไม่ได้เห็นใจรักเห็นสภาวะอันเดียวปรากฏอยู่จิตไม่หนีจากสภาวะ น, นี้ น, นั้นสมถะตรงที่ทํำวิปัสนาเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมารนะหว่างสมถะกับวิปัสนา แต่ถ้าตอนทำวิปัสนาไมมพลิกเป็นสมถะตอนทำทำออตอนทำวิปัสนาจะเข้ามาเป็นสมถะเออพี้ยกลับมาแต่ถ้าทำสมถะอยู่มันไม่ค่อยไปพิกเป็นวิปัสนางงไหมเสื้อเขียวเห็นไหมงงงงรู้ว่างงไม่รู้ทันมันง่ายแค่นี้เองนะง่ายแค่คอยเราคอยรู้สึก รู้เท่าทันจิตของตอนเองเจสีเสปฟังอยู่ที่วัดของพ่อเป็นปีๆเลยปีหนึ่งแล้วกลับมาทำงานอยูแคนาดาสามสี่เดือนเจ็บเงินแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆวัด ไปนั่งฝันทุกวันทุกวันะนะเคิดไมมจิตรเราเปลี่ยนตลอดเวลาถูกไหมมีชักกระับกระสายแล้วนะซับกสย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 ตันนี้ใช้วิธีดูพองยุกนะจนถึงจิตใจสบายแล้วพ่อมันสบายมันก็เจอใจก็จะวางตัวไวสัตว์ที่หนึ่งในร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรื่อแล้วก็เขาเห็นไม่ค่อยมีความคิดแต่จะมีความคิดเลกเลกเล็กเล็กแล้วก็พอเห็นแล้วมันหายเห็นแล้วมันหายนะครับแล้วก็ขอบําแนะนําลวงพอ่อคืออย่าไปเพ่งนะเพ่งจิตให้นิ่ง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 ใจมันจะแข็งแข็งได้ว่ามาเลยเราหมดหรือยังตอนนี้แล้วในสามคนไหนว่ามา เอาว่ามาเลยทางโน้นให้เขาคุยกันไปก่อนค่ะลกปฏิบัติมาได้ึแต่ได้ื่นคันอืมอื ม, อ ม, มเห็นมีความผิดอะไรเลยกอนนก็ขอกท่านแล้วก็ขออนุมาะับ้องทคท่านที่หลวงพ่อมาเอง ทิงสมถะนะถ้าทิ้งแล้วมันดูไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นการที่เราทําสมาธิขึ้นมาแล้วทําสมาธิได้ถูกจิตเป็นคนดูเห็นกายทํางานส่วนใหญ่ทําสมาธิแล้วนิ่งๆกายก็ไม่เห็นจิตเขาไม่เห็ น, หนอย่างนั้นไม่ดี ดูเวทนาดูจิตดูจิตก็คือจิตตสังขารการดูจิตตสังขารนดูตามหลังปลุกไปก่อนแล้วรู้ว่าปลุกไม่เหมือนดูกายกับเวทนานี่ดูลงปัจจุบันสดสดร้อนๆได้ถ้าลูกไม่มาเรียดูเพื่อลงไตลัเนี่ยลูปทำได้สัญญาที่ทำยังไงก็ลงไตลัไม่ได้สัญญาปล่อยไปก่อนนี่ไปยุ่งกับมันบางคนไปยุ่งกับสัญญาไปแทรกแสงสัญญาเพี้ยนเพียไปเลยก็มี แขวนทิงไปก่อนนะไม่จําเป็นคือท่านหนบอกว่าดูตามเรื่อยๆไม่จำเป็นที่จะต้องมองที่ลรงใจเราถูกไหมคืออย่าไปดูสัญญาให้ดูสังขารซะสัญญามันเป็นตัวจุดตั้งต้นทําให้สังขาปรปลูกแต่งเท่านั้นเองนะช่นเรานั่งนั่งอยู่นะหน้าหน้าหอกวันนี้ก็โผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วจีก็ปรุงแล้มันเป็นสังขาร น, นะให้รู้ทันสังขารไหมไม่ต้องไปยุ่งกนะับสัญญานะปล่อยไปก่อน ยกับสัญญาเราเล่นยากต้องอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์เดี๋ยวสัญญาวิปัสสนาไปก็มีสติไปนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้แล้วลวนะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกตัวหรือเปล่าน่ะมันะดีขึ้นตั้งเยอะแล้ ว, ลวอย่าไปเพ่งให้นิ่ง ฉันบอกว่าถ้าจะทให้ได้สเร็จต้องมีสีสมาธิกิดเข้าใจทีกันดีบางคนจะต้อใช้สมาธินาปัญญาบางคนใช้ปัญญานาสมาธิบางคนใช้สมาธิกับปัญญาควบ ก, กันเนะส้นทางแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเหมากัเส้นทางใช้สมาธินาเราก็ใช้ไปเราก็มาดูกายนะ แล้วก็กายดูไปด้วยด้วกิเลส เ, เราเกิดเราก็รู้ทันเรานะอย่างเช่นกูเก่เงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้ทันเราใหญ่คนจัดเลยไหมคนจัดอ้าวเหรอสติหายก็ลำบากนะสตังหงหายอีกนะ ถ้ามันไม่ได้นะถ้ามันไม่ได้ทุกสังเคต ด, ดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้แค่นั้นเองดีลนะ้วไงใชีวิตประจวันอะคือเรียนรู้ อ, อ, อ, าอมากจบงีรู้ตัวแค่ละอหรอน้อยไปนะค่อยๆกนะัให้รู้บ่อยๆพอหลวเคยฝึกนะว่ารู้ตัวและจิตจะต้องถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ด้วยนะ พยายามจับเวลาตอนตป่นโยมใน3วินาทีเวลาที่จิตไปเกาะกับอารมณ์เ น, นี่ยถ้าเรารู้ทันวะ3มวินาทีจิตจะต้องเป็นอิสระขึ้นมา้ได้เปืือยลดควาตายแต่ว่ามีเวลาสักสาวินาทีก่อนตายนีตื่นให้ไดที่ฝเนาะนจิตไลหลไปแล้วคอยรู้สึกจิตไหลแล้วรู้สึกบ่อยๆอ นั่นแหละ อ, อย่าอยากทำเขาเป็นเองเนั่นแหละถึงเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะธรรมะจะช่วยเราเองเราไม่มีทางไปาบายเลยถึงเวลาอย่างนั้นนะแต่มันไม่เกิดยอย่าอยากซิ <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้เกิดเพราะอยากนะจนตนนนออิตรู้ทันแล้วดีออกมาถูกแล้ว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 รู้อีกกระทั่งโทรศส์ไม่แท้เราเห็นสุขกับทุกเนี่ยน้าเบื่อเท่าๆกันเห็นกุศลอกุศลหน้าเบื่อเท่าๆกันเห็นความปลูกแต่งทั้งหลายเป็นของหน้าเบื่อทั้งหมดเลยอย่างนั้นถึงดีอันนี้เบื่อเพราะว่ามันอึดอัดขับค้องมันอยากหลุดจากอันนี้ไปอยู่อีกอันหนึง่งถ้าไม่ชอบอันหนึ่งเราจะเอาอีกอันหนึง่งอันนี้ยยังไม่จัดเป็นนิพพิทานะต้องดูอีกที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดี ก็ตา ข, ของพ่อครับครับกขอการาบเป็นตัวแทนของชาวแคลิฟเมียภาคใต้ขออาราธนาหลวงพ่อในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปโปรดชาวแคลิฟเมียภาคใต้วันนี้มากัน หลายสิบเกือบครึ่งหนึ่งของที่นี่มังครับจากทางลอสแอนเจลิสครั บ, ล บ, ลบหลับฟ l a นะคือหลวงพ่อไม่ไม่ได้รู้จักสักที่หรอกว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนก็เลยบอกคนที่เขาช่วยจัดว่าให้กระจายเป็นโซนๆก็แล้วกันคนไหนใกล้ทางไหนก็จะได้มาที่นั้น จริงถ้าไปเอเวก็ง่ายนะคนคนมาไม่ได้มากเลยครับเพราะว่าคนมา จ, มนจำนวนมันันชาติรู้แปลว่าดีไม่ได้แปลว่าโอเคนะไหนคนเวคนโอวเยยกษมือสิโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเนาะ หลงพ่อไม่รู้หรอกมันอยู่ที่ไหนใกล้ๆร้อยเอ็ดหรือเปล่าน้อยกว่าหลวงพ่อแล้วั่งเลวบมันสักเข็ดเลยก็ดีนะเรามารู้จักกันมาคบกัน มีธรรมะเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มีกิเลสเป็นศูนย์กลางคนในโลกนะีบกันเพราะผลประโยชน์อย่างเดียวเขาคบกันด้วยผลประโยชน์นั่นก็ระแวงซึ่งกันและกันไว้ใจกันไม่ได้คบกันด้วยธรรมะอาร่มเย็นที่ว่าหลวงพ่าเราไม่ควรไปประจําเนี่นนะเยอะเลยจนกระทัรู้จักกันนะเหมือนญาติเหมือนอะไรกันความใกล้ชีดเลเป็นญาติไม่ใช่ว่าความใกล้ชิดเป็นญาติอย่างยิ่งแค่เราแต่ละคน มาใช้ชีวิตที่ห่างไกลบางคนก็คุ้นเคยแล้วก็ไม่เป็นไรบางคนก็ยังเหงาอะไรมีความทุกข์ไม่ใช่บ้านเราแต่เรามีธรรมะพุทธเจ้าไม่เคยทิ้งเราธรรมะไม่เคยทิ้งเราแล้วถ้าเราไม่จริงธรรมะสะ ก, ก่อนแลแ้วเราค่อยคิดถึงพุโทโธพุโทโธไว้ก็ได้แล้วใจเราหนีไปเราคอยรู้ คำว่าพุทธศา ส, สนาพุทธนยะว่าเราเป็นชาวพุทธอะไรคือพุท ธ, ธพุท ธ, ธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเรานเองงั้นเราคอยรู้เท่าท่านจิตบ่อยๆจิตนี้ไปเรารู้รู้ได้จิเจ็บได้ตื่นขน ม, มีความสุขมีความเบิกบานอยู่ที่ไหนก็มีความสุขไหนลงเพลลงจากเครืบินมาไม่มีความรูนน้สึกว่าต่างกับเมืองไทยนะเนี่ย สมัยก่อนไม่ได้นะออกนอกประเทศไปถึงอีกประเทศหนึ่งรู้สึกว่ามันแปลกๆเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันหมดเห ม, เหมือนกันอยู่ตรงไหนก็เฉยๆแล้วเราฝึกนะเร็ไม่มีคําว่าอยู่ไกลบ้านไม่มีทุกที่ที่เราอยู่นี่แคือที่ที่เราฝึกเราไม่ได้ห่างไกลธรรมะไกลประเทศไทยแต่ไม่ได้ไกลธรรมะ จบเนาะพอจะได้ไปเชออกาดครับดวงเ็เตรียมตากับดอกไม้นพวกสวนเป็นตัวแทนถวายนะครับโอถวายเครับแล้วขออกาศขอเขามาหลวงพ่อเลยครับเดี๋ยวเราเตรียมวายเตรียมครับก็ต่าามนะครับเเลประมาเดนะ ตะวันและตะเยนกัจังจับบังอัปปลาทังธรรมทุโนพันเตเถเรปมาเดนะตะวานและตะเยนกตจจังส nah ับบังอัปปลาทังธรรมทุโนพันเตเถเรปมาเดนะ เวารัตเตียนากะตังศัพทังอ布拉ทังธรรตโนพันเตห้งขมามิเอวังโฮตูเอวังโฮตูโยจะปุเพภะมัชชิตวาปัชชาโซนะปัมมัชติโซมังโลกังปาเซติอภามุโตวัจจิมายสัปปังกตังกามังกุสเลนะปิติโมังโลกังปาเซติอภามุตโตวัิมา อาภิวาทนาสีลิสนิจจังุทธาปัจจายิโนจตารโรธรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขขังพลัง